พลังพรท่านสาธุชนมุทบรสั์ผู้ฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบ ก, กันอีกครั้งนเพื่อถามตอบคำถามในแนวทางทของการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็จะเปิดโกาสให้เด็กๆได้พูดก่อนจะได้กลับไปหลับไปนอนได้เราเดี๋ยวจะเด็กคนไป เอาวันนี้เราจำแม่กับแจ๊ทีก่อนเอเดี๋ยวชาติสาไม่มีเด็กด้วยนะเอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะแม่รอกนนรอ่อนอ๋อชาติสาก่อนเข้าไกราบค่ะพระอาจารย์อา่าอย่างไรไงครับ ม, มีอะไรไหมมีคะ่ะมีอะไรไหมคะมีครับใหม่ไม่มีวันนี้เขาอยากมากราบพระอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะอ๋องดกราบให้ดูห น, น่อยได้ ไปดูหนึิกลับไ<ช>ปค่ะพุโทโธธรมโมสังโฆนะกาสามครรกับพุโทโธธรมโมสังโฆการหกรกลับที่หนึ่งขันี่กพุทโธขันที่ส<ป>องธรรมโมขั้งที่สา ม, ม 3, สังโฆแล้วรู้จะมีแต่ความสุขความเจริญ น, นะถ้ารู้จักกลบรู้จักว่าโอเคไหมคะอันนี้ยังไม่เล่นลูก จับใไหมอ๋อจับแล้วก็จะให้เขาจะดูอะไ ร, รอคะ ม, ออ ม, ม, อมีอะไรให้ดูหนะมาใกล้ๆกล้องหน่อยสิมองเห้ไกลๆหน่อยอะไรเอ่อของเงินหรอขึ้นเปลี่ยนการอ่า <laughs> โอเคอเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวดู คนทุกวันเลยใช่ไหมคะโ okay. อเคออกกเป็นเรื่องดี<ไ>นะเชื่อฟังคุณแม่คุณพ่อนะนคุณครูไม่ดื้อ น, นะไม่ดื้อไม่สนถอาจารย์บอกไม่ดื้อ น, นะโ okay, อเคไหมไม่โกงหกนะคะโอเค okay. กราบขอบพระคุณค่ะพระ อ, อาจารย์มีอะไรไหมวันนี้คำถามค่ะพระ อ, อาจารย์ฟังพี่พระ อ, อาจารย์เทศวันนี้ <laughs> รู้สึกซาบซึ้งค่ะ เนี <Yeah. S 2> ่ยตอนที่ได้ตอนบ่ายนี่เหละใช่ค่ะเรื่องอะไรเนะี่ยเรื่อ ง, <ทำ S 2> งค่ะค่ะเรื่องทําความดีเรื่องเอ อ, อะไรนะคะพอดีฟังไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะว่าใช่แคไม่รู้เรื่องคช่แต่ตอนที่ฟังมันโอ้เออมันก็มันมันก็เย็นแล้วก็มันก็ทํางานไปพิมพ์ไปมันก็ทําได้ ก า, การเป็นเครื่องกับอากาศใจเลยใช่ค่ะก็พี่พระอาจารย์บอกว่าก็ยังดีกว่าไปฟังเสียงเพลงเสียงอื่แต่ไม่รู้ว่าทำมาเป็นอะไรไม่รั้เมื่อวาเนี้พูดเรื่องอะไรเลยขาดเนื้อใจผมอาจารย์ไม่ได้ปัญญาเลยใช่ใช่พ่ออาจารย์พูดถึงเรื่องปัญญาด้วยค่ะอะไรก็ยังดี ทำไปก็อย่างที่พูดนอนก็ใจเย็นทํางานไปใจเย็นไปไม่ได้ที่พระอาจารย์จับความได้ตอนหนึ่งว่าเลยนะคะทําสมาธิไปแล้วต้องมาเจารณาปัญญาด้วยไม่งั้นปัญญาจะไม่เกิดไม่งั้นจะอะไรนะคะ อ, ะอะจะไม่ได้ปัญญาอะไรชักอย่างเนี้ยจะ <laughs> ได้ดับกิเลสไม่ได้ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เ<ม>คยได้มาค่ะกลางวันที่แบบว่า <laughs> กําลัง งวงง่วงเขิมๆแล้วก็อ้มีเสียงพระอาจารย์มีธรรมะเข้ามาไจะกิดใจโ <Okay. S 2> อเคอันนี้เอาเอะไรมาให้ลุงตาดูเองนะอะไรเอ่ยของเล่นนะกาของเล่นเนอยอะกันนะสมัยเด็กๆลุงตาให้มีของเล่นอย่างนี้เลยโอ้ อาจารย์บอกว่าไม่มีของเล่นแบบนี้เลยต้องไปเก็บฟ้า เ, เ บ, บมีมาเล่ น, นต้องไเก็บซอมุรมาเล่นน่ายอไปเก็บัตกมาเล่นเข้าใจไหมคะค่ะไมเด็กๆเอาฟาบีมาเป็นงานเอาซอมมาเป็นงานเด็กสมัยนี้<ม>์การเด็กสมัยนี้มีแต่ซื้อซอย่างเดียวอาเด็กๆนีต้องต้องไปเก็บ ขงที่เาทิ้งแล้วมามาเล่นในเกค่ะพระอาจารย์คะพอ ด, ดีเลยได้ถามที่ที่ที่บอกว่าวันนี้ฟังฟังพระอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างนี้เราเราผิดไหมคะพระอาจารย์หรือว่าเป็นเป็นโทษ<ต> เ, ปเป็นอะไรไม่เป็นโทษแต่มันไม่เป็นประโยชน์นะคนจะได้ปัญญาคนชาติได้ความรู้ความเข้าใจก็ไม่ได้แต่ก็ยังได้สมาธิได้ความใจเย็นก็ยังดีัยู่ ทำใจเย็นใจไม่ร้อนดับความร้อนได้ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่แต่ได้สมาธิแต่ไม่ได้ปัญญาอ๋อค่ะคฟังฟังไปบางทีก็มีเจ้านายเรียกบ้างเป็นเป็นบางช่วงก็ชีวิตของคารว่าก็อย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกอันนี้เแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องทํางานเราก็จะได้รู้ว่าเวลาทำทำควรจะตั้งใจฟัง ไม่มีคนจะไปทำอะไรกลายวาจาใจต้องสงบน้ำกายไม่เคลื่อนไหวมาจะไม่พูดคุยกยับใครใจไม่ไปคิดเรื่องเะไรเช่ออยู่แล้วเรื่องคำที่เราได้ยินได้ฟังน่เองอ๋ออย่างนี้กยังเข้าใจอันนี้อันนี้มันเข้าเข้าขวซ้ายของขวาจะบกว่าเออตบ เราเรู้สึกเรารู้สึกแท้จิงจริงหรือเปล่าหรือว่าห ร, หรือว่ามันยังไงทําไมเราจับใจความไม่ได้มัเป็นแบบเป็นแบบพ ว, พวกเอฟซอะพอเห็นเห็นดาราที่ตอนนี้ชอบก็เพิม่มถึงมาโอ้มาแล้วต้องรีบฟัง<อ>ใช<ห>่ไหมคะเห็นดาราก็ตี ก, กันเล้วเพิ่มเด่นกันใครหลาวครับ<ะ>โอเคไม่เป็นไรครบับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้าน ะ, ะ, ะจะแมกับแจตี้วันนี้เข้ามาเร็วนะค่ ะ, ะแแตีวันนี้ยังอยู่องกแล้วกับมาเองทยนะู่อังกฤษครับยังอยู่องกฤษครับกไหมชอบไหมชอบครับชอบเพราะอะไรมีอะไรดีที่นั่น จะ เ, เจอครอบครัวครับครับอจอกจากคนปู่คนญ่านะใช่ครับคนใจคนอื่นได้บ้างมีคนอาคนหน้าไหมมีข้าศน์มีข้าศนหรือเปล่ามีครับสนุกกับค้าศนไหมสนุกครับ อ, อ, อดีตนานใจกันทีนะครับแต่ยังไม่ลืมธรรมะใช่ไหมยังไม่ไดลดมหรอครับ ได้นั่งสมาธิอยู่บา่ายังไม่ได้นั่งเลยครับไม่ได้นั่งเลยเลยนัง้งทำงานเก็บมานี้โอ้ยขาดทุนเล้ตกแล้วจะไปอยู่เนสเซอรี่กันไหม อ, อยู่ทำงานบ้านอยู่บา่าวอาการเป็นสาสิบสองอยังจาได้บ่าวยังจได้ครับกิดจากเจ็บจตายจาหน้าบา่า จำได้ค่ะงานมาถึานบ้านนะเคงั้นเดี๋ยวเอาเกิดเกลเจ็บตายกันนะครับ <c oughs> เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพน้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพน้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้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 เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน น, <จะ S 1> นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดโอเคทุกวันนะอย่าลืมน ะ, ะไม่ใช่เฉพาะวันี้วันเดียวนะ ต้องส่งการบ้านให้แม่นแม่ต้องคอตัวจัาบ้านนะแล้วในอาการทาที่สองเรามีอะไรบ้างในตัวเราผ ม, ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตลอดไ้ใหญ่ไซน้อยอาหารใ ห, าใหอาหารเก่ายื่นในสมองศีสะ น้ำดีน้ำเสดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงาน้ำมะละก้นน้ำตาน้ำมะเดวน้ำลายน้ำมูดน้าไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้าไข่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเดวน้ำตาน้ำมัลคกนน้ำเหงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารกรดอาหารใหม่ใช่น้อยไร้ใหญ่ปอดไตผังมืด หัวใจมา้า เ, เย็นในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผม อ, อ, อยังจำได้แต่ยังไม่สอบตกมนาะอันนี <c oughs> ้น้องนั่งสมาธิทั้งสิบนาทีได้ไหมก่อนนอนได้ครับออออโอเคอย่าลืมเนะี่ยเดี๋ยวกลับมาเราจะนั่งไม่ได้นะครับ <c oughs> พอตีไปนานๆแนละ้วมันนั่งมามันนั่งไม่ได้ ไม่สมบูรณ์เราทำมันเป็นนิสัสนะอโอเควันนี้มีอะไรจะถามหไหมไม่มีแล้วไม่นี้แล้วครับโอเคจะกบบลับองททนเมื่อไหร่สิ้นเดือนนะครับก็อีกสิบวันทั้งโอเคที่ยวให้เต็ท น, นที่เลยนะบันดาลใ เดี๋ยวเหมือนที่พ่อจารย์บอกหมอบีว่าเที่ยวให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นมันลังอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะารทำไงทาใจได้มาโอเคมันอเราอยู่นั่นีองโลกภัยแค่เจยบมันไม่มันไม่ยกเว้นใครนะนั้นนะจะเป็นอะไรท่านเโอเคอยากประมาณนะนี เตรียมตัวทำข้อสอบทำบ้านทำใจให้ไม่ทุกข์ยอร<ช>ับยอรับความจริงโอเคครับ <ขอ S 1> โอเคแบ น, นี้นะจะได้ไปหขอบคุณพระ อ, อาจารย์ครับนี้ไปหาคุณบมอพี่เชษใจคุณมอขอทำามอขอระสการ์พระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบาย กิเลสใต้น้ำไมันช่ไม่ทราบมาเอาไวกิเลสใต้น้ํำกิเลสมันมันมันมันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนะมันอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสมันอยู่ที่อราบยศสันตเสสนี่พอมันเห็นมันก็โลภอยากได้ที่ว่ากิเลสใต้น้ําจจะหมายถึงกิเลสที่มันเอ ที่มันอยู่ใข้างเลือดเข้าไปข้างในใจที่มันไม่พผล่มาไม่ง่ายอันนี้นจะเป็นกิเลสแบบละเอียดขั้นระดับของหนึ่งของพระอริยขั้นพระสรอยู่ขั้นตาอนาคามีไปแล้วนะอาจจะเป็นกิเลสใต้น้ำเออมันจําไม่ค่อยโผมาให้กิเลสที่มันอยู่ น, นั้นนะว่ากิเลสที่เกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญเกี่ยวกับรูป สิ่งเกีว่าเกี่ยวกับร่างกายกับเวทนาแต่กิเลสที่เกี่ยวกับจิตนี่มันมันละเอียดบางทีองบุดคุยหาันถึง เ, งเจอแต่ไม่ต้องกังวลแล้วมันยังอีกไกลเอากิเลสที่มันอยู่เนือน้ำมาปามันให้ให้หมดก่นอนนะใครไปใต้น้ำต่อ ปล่อยวางลาภยศเสริเสริญปล่อยวางความสึกทมมั้งตา้งมันจะหมุนยืดกายให้ได้ก่อนแล้วก็ไปปล่อยวางร่างกายเกิดแกเ่เจ็บตายปล่อยวางอสุภะปล่อยวางกรรมกรมราคะมันเห็นอสุภะอะไน้นี่ยวันนี้มันมีร่างกายเป็นที่ตั้งมันเห็นได้ชัดแจิตนี่มันเป็นของละเอียดมัไม่มีมันเป็นนามธรรมามันไม่ใช่เป็นรูปประทัง มันจะเข้าใจเลยเข้าใจครับเดี๋ยวน้องรำไปปฏิบัติกี่ับอาจารย์กับขอบพระคุณครับในที่นาลาที่ว่าแม่ลูกเดซยานราไม่มีได้ค่นักมัธยมการพ่าอาจารย์ค่ะคุณต้องปฏิเลยใช่มคุณลืสาใช่ค่ะวันนี้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรค่ะมาฟังทำค่ะพ่าอาจารย์ วันนี้เพื่อนไม่ได้อยู่แล้วกลับไปแล้วอ่ะอเมริกากลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะโผล่ขึ้นมาจอคงจะเข้าข <อ S 1> มาคอยยิ้หน้ายิมาย้มหน้าเข้ามาแล้วแต่คุนชานโอเคไม่มีอะไรนะฉันได้ไปต่อไม่มีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอันนี้น้โมอาว่า น, น้ำโมพาคุณยายมาแล้วคุณยายพาน้โมมา ผมมาคุณยายมาครับผมคุณยายไม่รอไม่ยอมเรียนเข้าสูมครับผมอาจารย์ก็เลยต้องอาศัยหลานลักคนนี้อ่าได้ไปสวรรค์ด้วยกันไปนิพพานด้วยกันซ่าสวรรค์ไม่เอาเพราะอาจย์เอานิพพานอย่างเดียวนิพพานอย่างเดียวยไม่ไม่มักว่ากเลยไ ม, ไม่น้อยเลยนะเอาอย่างเดียวครับผม อาจารย์ครับตอนที่พอาจารย์เล่าเรื่องของเล่นในวัยเด็กของพอาจารย์จันไปปลุกสัญญาขันของคุณยายครับผมเุณยายคงจะจำได้นะเด็กสมัยก่อนเล่นอะไรกันอ<า> ม, มัยก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแต่ารย์ก็เป็นเป็นโลกพอ <c oughs> ดีว่าคุณยายอพอพอาจารย์พูดว่าเนี่ยเล่นอะไรบ้างคุณยายก็ใช่สมัยก่อนเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไม่มีเงินแบบพวกเธอ ครับพระอาจารย์ก็ขับอยู่เหมือนกันยายเขาชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆครับผมก็ต้องบอกยายมันผ่านไปแล้วยายมันผ่านไปแล้วครับพระอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับผมมีอะไรบ้างตอนแรกเกือบสอบผ่านแล้วครับพระอาจารย์คือผมเดินกลับเข้ามาในบ้านครับพระอาจารย์แล้วก็ขอโทษนะครับเจออุจระของสุนัขอยู่ แล้วในถังขยะแล้วมันก็มีหนอนชัยอยู่ผมก็เห็นแล้วก็เกิดสังเวชว่าโอ้เป็นหนอนมันต้องมานั่งชัยแบบอุจระสุนักอะไรเงี้ยก็สังเวชปรงผมก็เห็นแบบโอ้ดูมันไม่ดีเลยแล้วคราวนี้ในถังขยะถัดไปอีกสองนิ้วมีตะขาบตัวใหญ่ตัวนี้ผมเห็นผมสะดุง้งวิ่งหนีเข้าบ้าน คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็ตกใจอาจารย์สอบตกครับผมอาจารย์ตอนแรกกายจะเรียนอาจารย์ว่าโอ้ยตอนแรกผมเห็นผมสั่งลสั่งเวทได้ตอนหลังกครเป็นตกใจซะเอง <c oughs> <c oughs> คุณพ่อขำ <c oughs> ผมใหญ่เลยผมวิ่งครนะผมบอกคือใจหนึ่งเราก็กลัวครับอาจารย์แต่ใจหนึ่งเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงคนในบ้านกลัวว่าเดี๋ยวท้ายตะขาตตัวนี้มันหลุดออกมาจากถังขยะได้มันจะเข้ารองเท้า ผมก็บอกพ่อครับพ่อช่วยเอาตะขาไปไว้ที่อื่นนี่ยผมไม่กล้าจับอาจารย์ตัวใหญ่เริ่มเติมเลยอาจารย์น่ากลัวมากเลยวก็รู้ว่าสอบตกระอาจารย์มันตลกครับาหลังล้วผมเจออย่างนี้ผมควรทำไงครับอาจารย์ทําใจไว้ก่อนอย่าให้ยวตื่นเต้นตกใจเหยๆแล้วก็ พิจาราว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปเดึ่งก็ไม่ทำร้ายเขาสองจะจัดการกับเขาอย่างไรเพื่อให้เขาไม่มาทำร้ายทุอครับพระอาจารย์แต่วันนี้สาวตกเลยครับผมวิ่งเป <c oughs> <c oughs> ็นแบบเลยแต่ก็ยังกลับมาบอกแล้วก็ยังกลับมาบอกคุณพ่อว่าเออ่ช่วยย้ายเขาออกไปนิดนึง <c oughs> กลัวเขาหลงทาง <c oughs> แล้วพระอาจารย์ครับพอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับพอาจารย์ มันกลายเป็นว่าเรากลับกลายเป็นคนที่พูดกับคนทางโลกไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อระครับอาจารย์เป็นคนละภาษากันภาษาทั้งโลกกับภาษาท่าธรรมเคนละภาษากันพอเราพูดพูดกับเขาแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเห็นว่าเฮ้ยเขายังยังเหมือนแบบประมาทอยู่มากแล้วเราก็เลยเหมือนพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าพูดกับคนดนังทางําเหมือนคนในซูมฟังคนในซูมแล้วเออรู้เรื่อง อาจารย์แต่พอพูดกับคนทั้งโลกเลยว่บบทาไมคุณสื่อสารแบบงงงงก็เหมือนก็เหมือนคนเรียนวิชาคณิตศาสตร์คนเรียนวิชาประวัติศาสตร์คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับใช่ใช่คณิตศาสตร์ก็จะคุยทางเรื่อวงรบคูรนิวตันมการแบบประวัติศาสตร์เขาบอกว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปีนั้นเกิดอะไรขึ้นรวิชาคนจะเรื่องครับอาจารย์ก็เรต้องเข้าใจ เวลาจะคุยเรื่องธรรมะเราต้องดูว่าเขาเรียนธรรมะด้วยหรือเปล่าถ้าเขาไม่เรียนธรรมะคุยไปเขาไม่กเกิดประโยชน์อะไรครับอาจารย์แต่ก็ต้องเป็นคนปฏิบัติจริงนะครับบางทีแบบบางคนแบบบอกว่าปฏิบัติแต่จริงๆไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็ดูออกเวลาเราพูดกันมันจะไม่รูเรื่องเครับอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้คนที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเขาพูดเราก็จะรู้ ครับอาจารย์แล้วก็เวลามีปัญหาก็ยอมหยุดเย็นครับยิม้มยอมหยุดเย็นยิ้มก็ผมอาจารย์ก็ช่วยได้เยอะมากเลยครับผมอาจารย์กลยุทธ์ของอาจารย์ใช้ได้ดีสุดเลยครับผมจริงไม่ใช่ของเราเราได้ยินมาจากที่ไหนมาทุกทีนะฮะว่าเรามาเทรนเป็นของเราสามยอมอ้ยอมหยุดเย็นยิ้มสี่นะครับอาจารย์เราเพิ่มยิ้มยอมที่สี่ ยังอยู่แตแล้วก็ยิ้มฮปปี y ครับอดมาเป็นของพระาจารย์ไม่เป็นไรนะครับน่าจะไม่โดนเรื่องลิขษิทธิ์เพราะว่าเป็นเขาน่าจะหยุนหยุนได้ครับขาพูดไว้กันไว้เดี๋ยวนะ ห, หาว่าเรามาเคลียช้ใช้คารู้ของคนอื่นมา ครัอาจารย์แล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ปฏิบัติต่อนเนื่องครับผมอาจารย์ก็อย่างที่เรียกอาจารย์ว่าผมจะเอาไมา่ได้เอาตะขาบไม่ได้ก่อนอไปจับตะขาบไม่ได้ก่อนอาจารย์นิพานที่นิพานอยู่ฟากตายแต่ไม่ยอมตายไปถึงนิพานไม่ได้เราอยากให้ตะขาบกัดรักษาบาน แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเห็นตะขาบแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆปล่อยให้มันกัดใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องหนีใช่ไหมครับก็ดูเหตุการณ์ครบว่าถ้าเราตัวเราใหญ่กับมันตั้งกี่เท่าตัวมันนิดเดียวมันด้วยแต่มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตเลยนะครับรผมมันก็มันก็ไม่ถึงแขนของเราเลยไม่โกนเลยแขนของเราใหญ่กับมันตั้เยอะแยะ เรายังมีจับหามุ่งหาไม้มาใช้ไ้มีอาวุธต้อเยอะแยะในกลัวมันแสดงไม่มีสติปัญญาเลยไปแดนต้องไปเร่งสติปัญญาแล้วครับไม่ผ่านอดแน่เลยแต่ว่นนี้ผ่านต้องจับตะขายให้ได้ะขายไม่ได้ก่อนคับไป้ดนงั้นให้ช่วยโดนใจเจอตะขาอีก ทำไมที่อยู่กับหลวงตาเนี่ยหลวงตาบาีท่านจับงูมาจับด้วยมือของท่านจับที่คอมันแล้วท่านก็เหนีมาที่ที่ที่ผ้าอยู่มนแล้วก็ยื่นงูให้อ่ะอจับใส่กระป๋องให้หน่อยนี่ผ้าก็รกจับนะท่านส่งมาให้แล้วเนี่ยก็อกจับจับต่อจับที่คอมันแล้วก็ยัดใส่กระป๋องเพื่อจะได้ปล่อยข้างนอกไป อาจารย์เคยต้องจับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับจาไม่ได้วันท่านยืนใา้เราหรือเป่าแต่เราเห็นท่านท่านยืนมาคิดว่าเราไม่ได้จับว่าเราเพียแต่อยู่อีกที่หนึ่งแต่เห็นมองเห็นท่านยิบใหมาได้ก็ลกท่านอรย์ก็ถ้ามีปราวหน้าก็คงต้องคิดถึงเหตุการณ์ของหลวงตาเป็นตัวตัวอย่างนอกจากปากตะขาบดูเลย ก็มองอยังไม่กล้าจะไปจับแล้วแหละถ้าจับปากมันหน้ามันก็ไม่มันก็กัดเราไม่ได้ครับพ ร, ระจันทร์ก็เขาวหน้าจะมีสติให้มากกว่านี้แล้วกันครับพระจารยร์แล้วผมจะข้ามไปฟากมิพานให้ได้ครับผมพระ จ, จันทร์แล้วถ้ากูตะขาบ คนตะการไปไม่ได้ยังมีเยอะมันมาแบบไม่ฉันตั้งตัวจริงๆอะไรนีะจะจะได้รู้ว่าเราอยู่อยู่ข้างไหนแล้วถ้าไม่ไม่มีข้อสอบเราก็จะไม่รู้เราก็คิดว่าเราเก่งแต่ก่อนคิดว่าเก่งครับอาจารย์แต่ก่อนคิดว่าเฮ้ยความเจ็บความตายโอ๊ยเราไม่กลัวหรอกมาดิมาดิขอมาจริงไม่รอดนะว่าพอพอพไม่สบายโอ้ ทำไมต้องเจ็บตเข้าใจเลยว่าเวลาคนที่เขาจะมาฝึกบ้รรลายชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้แบบถูกลิกคิดได้มาจริงๆคือจะมาปฏิบจะมาปฏิบัติแบบตอนจะตายอยู่แล้วไม่มีทางนะคร <c oughs> ับก็มันมันจะเ ป, ป็นแบบทั้งซื้อดูก่อนขอเข้าห้องสอบเอสอบทันไหยดูหนังสือก่อนเข้าห้องสอบเน่ยทันไหม <c oughs> ไม่ทันแน่นอนใช่ แล้วก็พระอาจารย์ครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่ผมป่วยแล้วต้องเปิดคุณยายจากไล่อาทิตย์นี้กลายเป็นว่าคุณยายเขากลัวผมครับเพราะว่าผมไปโรงเรียนคุณยายกลัวเอาเอาเอาโรคมาให้คุณยายช่วงนี้มันกําลังาาระบาดไปครับะอาจารย์พรอาจารย์ก็ดูแลทัดฉัไนไว้นะครับผมอย่าเอาเโรคมาแพ้คุณยายนะถยายเป็นย <c oughs> าเขากลัวกลัวกันนต้องใส่หน้ากากคนใดคนหนึ่งนะ อย่าอย่าปลี่ยนหน้าการงงคนตอนแรกผมก็เสนอคุณยายบอกคุณยายยายคืออ่าคุณยายไปอยู่อีกห้องหนึ่งไหมแล้วทําแบบปอาทิตย์ที่แล้วคุณยายบอกไม่ไม่จะมาฟังพักจา์ให้ได้แล้วผมก็เลยแต่ยายต้องใส่แมสนะใสแมสก์เลยแล้วก็นั่งห่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับฝากพักจาน พระอาจารย์รักษาธาตุขันนะครับผมสาธุจ้ะแรงแจงรงนะอาจารย์แจงแงอายอยู่ไปนานๆนะขอบระคุณพระอาจารย์ค่ะคุณสราบัาการจากไทยนาชานพระอาจารย์มาฟังคำค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อวานมีเรื่องคือว่าแฟนไอ้น้องที่ทำงานของแฟนนะคะ เธอเอินแม่เขาว่าป่วยล้มแล้วทีนี้น้องเขาว่าเครียดมากแล้วก็แฟงมาเล่าให้ฟังลูกก็เลยใช้ธรรมะปาจารย์เอลูกก็เลยเช้าขึ้นลูกก็ขับรถไปอ่ะค่ะไปหาเขาแล้วก็ลูกก็คือเขาอะไม่อยากคุยอะใครแฟนบอกเขาว่าไม่อยากคุยอะใครเลยก็เครียด แต่จริงๆ เ, เขาก็เป็นพวกธรรมะนะคะอาจารย์แต่เขาไม่ไ <ป S 2> เขายังไม่ไม่ทำทีไปไปนี้ลูกก็เลยเฟังที่พระอาจารย์ลูกก็เลยไปหาเขาแล้วก็ลูกก็ซื้อของไปเยี่ยมให้แม่เขาแล้วก็ให้เขาเป็นกาลังใจให้เขาแล้วก็ลูกก็บอกว่า เ, เขาก็ดีใจแต่ว่าเขาก็บอกแบบพี่หนูไม่อยากให้พูดคำแบบ คือเขา่ไม่รับว่าแบบเหมือนแม่เขาแก่อะค่ะคือเขาเป็นเดี๋ยวความดันตกเดี๋ยวอะไรคือตอนนี้ไม่ดีเขาก็เลยแบบเหมือนคนจีนนะคะอาจารย์จะไม่ให้ไม่ให้พูดว่าเยี่ยมผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยนึกถึงเทศของอาจารย์คำใดที่พระอาจารย์ให้แล้วก็เท่ที่ฟังอะค่ะพระอาจารย์อันแรกเลยที่ฟันของพระอาจารย์่ะกันแรกเลยคือสองขอสอแล้วลูกก็จําที่อาจารย์บอก ลูกก็เลยบอกว่าอันนี้คือส่งความสุขให้แม่เขาลูกก็เอาขนมเออขนมเยี่ยมให้แม่เขาแล้วก็ลูกก็บอกว่าอีกอันนึ้งอ่ะลูกส่งความสุขให้เขาเป็นกำลังใจที่เขาดูแลแม่แล้วลูกก็บอกว่าถ้าเราอ่ะคือถ้าเราทำดูแลแม่เต็มที่แล้วอะค่ะเราทำด้วยสติถ้าเต็มที่แล้วอะไรมันจะเกิดอ่ะมันก็คือเกิดก็ ทุกการมันคืออเล็สซานซเราก็ต้องไปหาเหตุตรงนั้นแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันปยายามคือไตลักลูกก็บอกตามที่ลูกอ่ะสั่จากท่านอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราก็อยู่ในกฎอันนั้นแม่เราก็อยู่ในกฎอันนั้นต่อบไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาลูกก็แค่นั้นแล้วก็พิเศษอะค่ะเขาแบบพี่ มันคนนามาด้วยกันนี่ยมันแบบมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยลูกบอกว่าลูกก็ไม่ได้อะไรแต่มันคือลูกอามาฟังจากที่ในเพจในธรรมะเพราะว่าเขาว่าจะฟังพวกเขาเครียดเขาก็ฟังแบบธรรมะธรรมะแต่ลูกอ่ะเอาที่พระาจานงเข้าใจง่ายลูกก็เลยบอกเขาแล้วก็ลูกก็บอกว่าเราอ่ะมาฟังจากซูมมันก็ได้อะไรตั้งเยอะแยะเพราะว่าพวก คนทุกคนนันมีปัญหาหมดไม่ว่าคนจนคนรวยเขาก็มีปัญหาของเขาคนละแบบกันที่ลูกลูกฝันย่างนี่ยนคะคะพอเสร็จแล้วเพากลับมาค่ะอาจารย์แฟนแฟนเน่ยดีใจมากแฟนบอกว่าน้องเขาแบบคุยเฮฮาเพราะตอนแรกเขาเขาแบบรู้สึกคุยแล้วเขาหวั่นล่อตอนแรกเขาแม่นั้นเลยเพราะลูกเห็นเขาลูกนึกถึงตัวลูกเองเลยระอาจารย์เพราะเขาน้ำหนักลดไปเยอะมากเลย ลูกเขาบอกมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมะของปัจจัดพระพุทธเจ้าแค่เราแบบเอามาประยุกใช้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ต้องอยู่ในกฎนั้นแหละพอใช้ได้ไหมอาจารมีว่าเก่งมากเ ม, กกมกกื่า ล, ลูกฟังฟังจากในเนี้นนแต่ฟังพระอาจารย์ดีกว่าจับใจความได้ไตรรักกับ อ, อริยสัจสี่มีแค่สอตัวนี้เทานะ คือปัญญาใช่แล้วเรามันก็อยู่ในน้นต่อไปเราก็ต้องเป็นหนีข่าวปัญญาดีนี่ใแล้วเขาดีขึ้นไหมจิตใจเขาดีขึ้นไหมดีค่ะเขาแบบคือเขาเครียดน้าหนักเขาลดปรมาณสี่กิโลแล้วเขาว่าบอกกับแฟนลูกอะโไป เ, เขาบอกเขาไม่อยากคุยเขาไม่อะไรแล้วทีเนี้ยลูกก็เลย ไปแล้วลูกก็เลยคุยเพราะหลังจากลูก่วพูดใยกําลังใจนิดเดียวอ่ะแล้วลูกก็เอาใจฟังที่แบบจําจากที่พระอาจารย์เท่แล้วก็จําที่พา่าอจย์สอนนะคะแล้วไปบอกเขาเขาอ่ะยิ้มแล้วก็สามารถคุยแล้วเขาเขาบอกพี่หนูขอบคุณพีพดด่มากบอกเอ้ยพี่ยไม่ได้อะไรหรอกพี่จำต้องจำตรงนี้จําจากที่ฟางพ่อจันแล้วก็ในสูงกับจ๊ะ ดีมากเลยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งวงลูกลูกรู้สึกว่าลูกแฮปปี้มากเลยอ่ะมันดูเป็นชิ้นเป็นอันดีอ่าช่วยเขาให้เขาไม่ทุกข์ได้แล้วแสดงว่าเราได้ครับงวงทั้งวงคุสองพี่พี่มากเพราะว่าแฟนแฟงเขาแฟงเราะวันนี้เขาก็เลยแบบแฟนเขาไปยิ้มเพราะว่าแฟนเขาว่านั้น ลูกก็เลยบอกเป็นเมียล่ะฉันฟังธรรมะาฉันไม่ใช่ <sk ill it> เขาเขาชอบว่าลูกไม่ได้เรื่องท <chỉ S 1> ี่ว่าสารุญจะพาไปที่คุณฝนต่อกุงเทพฝนนัวัฒการค่ะพี่นนอาจารย์วันนี้ฝนจะมา หนูจะมารายงานว่า อ, อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ฝึกตามคําแนะนําที่พระอาจารย์สอนว่าให้เปลี่ยนนิสัยมาทางฝึกสตินะคะก็เน้นฝึกสติมาตลอดก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เน้นฝึกสติตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าบางช่วงที่มีพาลูกไปทํากิจกรรมไปสงกลานไปอะไรบ้างก็ก็จะไม่ได้ภาวนาพุโทโธแต่ว่าช่วงไหนที่คิดขึ้นมาได้ก็จะภาวนาพุโทโธลงไปตลอดนะคะพระอาจารย์ อัน้ฝึกสติให้มากๆหยุดความคิดก่อนขอสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเรื่องความอยากก็ก็ลดลงไปที่ที่พระอาจารย์เมตตาสั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับความอยากที่เป็นกิเลส ต, ตัวใหญ่ที่ตอนนั้นบอกว่าอยากจะซื้อรถหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็ความอยากตัวนี้ก็ก็ลดลงไปเยอะเลยอ่ะค่ะแล้วก็ อย่างที่บอกก็คือเน้นฝึกสติถ้าเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ความทุกข์ก็ไม่ค่อยมีอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าความอยากก็ไม่ค่อยมีแล้วอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ส่วนวันนี้อะคะ่ะมีคําถามมาสามคำถามมา ค, ามะคะ่ะคือขออนุญาตคาถามแรกอะคะ่ะพระอาจารย์ของคำเมตคือธรรมชาติของจิตนี่มันเป็นยังไงเหรอคะคือจิตมันเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่แล้วก็ ธรรมชาติของมันตอนนี้คือมันถูกอาวิชาครอบบำทุกทเกลื่อนครอบงำมันก็เลยมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ปอเกิเวลามันเกิดความโลภความโกรธความหลมันก็เกิดความทุกข์ใจแล้ววิธีแก้ความทุกข์ใจมันก็ไม่รู้วิธีแก้แทนที่จะไปหยุดความโลภความโกรธความหลงมันกลับไปทําตามความโลภความโกรธความหลงมันก็ยิ่งทุกใหญ่เพราะสิ่งที่มันโลภอยากได้มันเป็นของไม่เทียม ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปจากเราไปมันก็ยิ่งทำให้เราทุกข์ขึ้นมาอีกใ น, นธรรมชาติของจิตสองคนทั้งหมดที่ไม่มีธรรมะถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระเจ้าของเจ้าบอกว่าวิธีแก้กิเลสก็คือเราต้องหยุดมั น, นอย่าไปทำตามเลย ก็ก็ก็หยุดไปหลายอย่างแล้วค่ะก็เหมือนรู้ทันว่าเออมันเป็นความอยากก็ไม่ไม่ไปทําตามกิเลสนะคะพระอาจารย์ทีนี้ก็คือแล้วคาถามที่สองก็คือว่าคือการที่เราฝึกสติอ่ะค่ะมันคือการหยุดหยุดความคิดใช่ไหมคะเพื่อที่จะหยุดการทํางานของขันนะคะพระอาจารย์ใช่จะได้หยุดกิดความโลภความโกรธได้ความโลภความโกรธก็ตเราอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือต้องคิดกล่าวว่าเออนนยดฟาราลีท่านนสวยนะอ่า อทีแล้วก็ที่ก็อยากได้กันมาพี่เรนก็สวยกนเอาซไปเอามาถ้าเราไม่คิดถึงว่าฟอร์นารมันก็ไม่มีความโนกใอยาจะได้รถฟอร์นารีแต่ลดลดอรลดสามนอเลยต้องคิดด้วยสามนอคันดี้สวยรอต <laughs> ุ๊กๆกคัน <spikes> ด <Fra> ี้สวยน่าจะซื้อมาขับนมันจะได้อยากได้แต่รดตุ๊ก ก็ก็ก็รถไปแล้วหาความอยากก็นึกถึงอย่างที่บอกก็ที่เอารถของคุณพ่อไปบริจาคถวยพระป่าค่ะนึกก็ยังดีใจขนาดไหนขนาดได้รถเก่าของรับไปอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ารถเราก็สิบกว่าปีแล้วแต่มันก็ยังขับได้ก็ไม่เป็นไรเลยเนะคะตอนนี้ก็เลยคิดได้จากที่พระอาจารย์สอนสั่งอะค่ะเอาความคิดของเราตลอดเวลามาคิดหาราบยกสรรเสริญข้าวความสุขจากลูกเสียงกินรถตลอดเวลา เราเมื่อคิดประกอความอยากแลว้วก็ทุกธรมานใจคทําไม่ได้สิ่งที่อยากได้แเราทาดิน้นทำวิ่ง ไ, ไปแต่พอไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ละค่ะพระอาจารย์อนั่นแหละถ้าหยุดความคิดได้ก็มันก็หยุดความอยากได้่ก็ภาวนานะคือถ้าเกิดมีอะไรคือช่วงไหนที่ไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้มีอะไรก็ก็พุโทโธตลอดอะคะ่ะพระอาจารย์ ใช้ใช้พุโทโธทยุตตลอดแล้ค่ะอ่าแล้วก็พอดีมีเมื่อกี้นี้อ่านหนังสือตอบคําตอบปัญหาขาดใจเล่มหกอะค่ะแล้วในหนังสือมีพูดถึงคําถามเกี่ยวกับที่พระอาจารย์บอกว่าการจุดไฟเผาร่างกายอะค่ะเพื่อจะได้พัดในใจอะค่ะก็หนู่ก็เลยอยากจะขอนญาตถามว่ามันทํายังไงล่ะค่ะคือการจุดไฟเผาร่างกายเพื่อให้ได้พัดในใจอะค่ะอ๋อในกรณีที่เรานั่งสมาธิไปแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมาที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้ว เจ็บที่ก้นแล้วเจ็บที่เท้าหรือที่อที่เข่าเรือ่อยแล้วก็สมมุติว่าไอ้ความเจ็บนั้นมันเหมือนไฟกําลังเผาร่างกายเราแล้วก็พยายามขยายความความเจ็บความขยายไฟที่เผาให้มันลามไปทั่วร่างกายอเราก็นั่งดูมันไปนั่งดูมันไปก็นั่งนั่งนั่งกินนาฬิกาไป ถ้าร่างกายมันถูกไฟเผามันก็จะค่อยลามไปเดี๋ยวมันก็ล่าเดี๋ยวมันก็ไหม้ช่วมหัวเราเลยแล้วเดี๋ยวพอร่างกายถูกเผาไปทากระยาดอย่างแล้วเด๋ยวมันก็ร่างกายควสุซุดมันกลายเป็นขี้เท่าไปนะอ๋อราคะเดี๋ยวจะลองดูค่ะพระอาจารย์พอความซุดเป็นขี้เถ้ามันก็กลายเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นดินเหมือนกับพื้นที่เราเล่อยู่พื้นที่เราเล่นมันก็เป็นท่าเนี่ยเป็นขี้เท่าของร่างกายที่เหมือน ถุกไฟเผามันก็มันก็เป็นปคิดเท่าอ hmm. ถ้าเราไม่ไปคิดล่วงหน้าไว้ก่อนะถ้าเราทําำในไมน่รู้ไม่คี้แล้วก็เผาไปตามเวลามันจะถึงจุดที่มันร่างกายกลายไป็นคิดเท่าไปแล้วไฟทั้งไฟดับไป hmm. แล้วร่างกายก็สุดลงไปกลายถึงนกองคิดเท่ามันจะเกิดความรู้สึกที่จิตเหมือนกับว่า ร่างกายกับพื้นนี่เป็นเป็นหมือนกับเป็นเนเืนเนน้อเดียวกันแล้วพื้นนี่กับพื้ น, นของร่างกายกับพื้นของบ้านเป็นอันเดียวกันแล้วดูบ้านก็เป็นส่วนของพื้นของพิวลโลไปเลยก็แย่เหมือนกับจะกลยายเป็นว่าทุกอย่างมันเป็นธานดินทั้ั้ค่ะได้เดี๋ยวยังไงคือตอนนี้ยงก็หนูก็เน้นฝึกสติอะค่ะก็เลยแบบเหมือนนั่งสมาธิอาจจะยังแบบ ช่วนี้ก็ยอมรับ ว, ว่าไม่ได้ค่อยได้นั่งนะคะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างวันนี้ลองก็มานั่งตอนตอนช่วงที่ฟังเทศของพระอาจารย์ตอนบ่ายค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามทานอาหารให้มันเร็วแล้วนะคะคือยายาทานตั้งแต่ตอน11โมงนะคะแต่ว่าพอเหมือนพอมาตอนฟังเทศตอนบ่ายสองแล้วแบบนั่งสมาธิไปด้วยะค่ะหนูก็พยายามจะฟังเพื่อให้เกิดปัญญานะคะเหมือนเหมือนฟังเพื่อทําความเข้าใจค่ะไม่ได้จับแต่เสียงทําอย่างเดียวค่ะแต่เหมือนสงสัยทานอาหารมัน คงคงอังงหน้าคงจะเปลี่ยเวลาแล้วค่ะพระอาจารย์เขารู้สึกว่ามันถึงมื่อเดียวมื่อเดียวเลยตอนเช้าเสร็จแล้วก็จบค่ะนะ ค, ค่ะพรถถาะว้กินตอนเที่ยงแล้วมานั่งฟเทศสองยี่สิบโมงดีช่วงม่วพอดีใช่ได้เลยว่าครั้งหน้าไม่เอาแล้วค่ะถ้าเกิดแบบ<ม>จะฟังเทศตอนบ่ายสองค่เถ้าวันไหนจะนั้งมีเวลาจะนั่งสมาธิด้วยอะค่ะก็คิดว่าคงทานไม่ไม่ทานตอนตอนสิบเอดโมงแล้วค่ะจะได้จะได้กับโฟกัสได้เลยแบบนี้ค่ะ แต่ยัไม่ะจะไปทานตอนสามวงแทนนะกินว่าหลังจะค่อยใช่ค่ะคือยาะหนูก็ตอนแรกวันนี้หนูกะจะลองดูว่าแบบเออจะกินให้เสร็จก่อนเที่ยงแล้วหลังจากเที่ยงจะลองไม่กินดูเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคือแต่ว่ก็สุดท้ายก็ยอมรับว่าเออมันยังมันยังทําไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเดี๋ยวไว้ถ้าจะพยายามใหม่อ่ะค่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องเผาร่างกายเราเพียงแต่ จินตนาการว่ามันเป็นไฟความเจ็บที่มันเจ็บที่ร่างกายเหมือนไฟกำหรับเผาร่างกายเราแล้วได้มันเผาไปทั่วร่างกายจนกระทั่งมันซุดลงมาแล้วอย่างนั้นเราไม่ต้องไปทํำเลยแล้วเราอย่าไปจินตนาการต่ออที่เล่าต่อแนละ้วมันเป็นเป็นเรื่องของจิตที่มันมันปรากฏขึ้นมาให้เรารู้วยเราเราอย่าไปจินตนาการจินจินต น, นาการแต่การเผาจนกระทั่งมันกลายเป็นที่เท่าวไปค่ะแล้วก็ เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราถ้าเราดูมันถูกไฟเผาได้เราก็า จ, จะไม่รู้สึกอาการเจ็บของร่างกายทนไม่ได้แล้วเราน จ, จะนั่งต่อไปได้ในบางทีจิตมันรวมลวงมันก็แยกออกจากร่างกายไปก็เด้ค่ะหนูจะลองดูค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ลองนั่งไปค่ะแล้วอย่างพอเจอเวทนาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยากจะดีนะไม่อยากจะนั่งนะใช่นนค่ะก็แล้วเอาอ เ, อาเอาวทนามาเป็นไฟเผาร่างกายแเรา มว่าเราล่างกายราถูกพัดไฟเผได้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูก็จะเน้นฝึกสติทั้งวันเหมือนเดิมาคะ่ะแล้วก็จะนั่งสมาธิให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ตามที่พระอาจารย์แสสอนสันส่งอ่ะคะ่ะลองดูเรื่องไฟเผาอ่ะคะ่ะถ้ า, เ ก, เ, าเกิดเวลาเกิดเปทนตร์ขึ้นนะคะพระอาจารย์โอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพระอาจารย์อย่าไปที่เดลัสเท็กซัสเซบัตตา มันป็นการมาเช้าเลยตอบประมาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะสัปดาห์ที่แล้วลูกไปแคมป์ใช่ไหมเจ้าค่ะไปอยู่นะมปยังไงดีไหมประมาศการท้าทายเจ้าค่ะลูกเกือบหลงป่า <laughs> คือที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาให้แบบมามันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับทางเดิน คือให้มาไม่ครอบคลุมเลยเจ้าค่ะก็เลยเดินไปไหนไม่รู้แล้วก็จากสามีก็ก็หลงก็เกือบหลงป่าก็ก็พอรู้ว่าเออถ้าเราคิดแล้วมันจริงจะทำให้เราทุกข์ก็เลยไม่คิดก็เลยพูดโทอย่างเดียวจะอะไรจะเกิดก็เกิดนึกถึงหน้าพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะก็บอกอ้ออย่างน้อยก็มีน้ำติดตัวก็ก็ดีเจ้าค่ะได้ เหมือนพ่อจย์บอกบางทีก็ต้องออกไปให้รู้ว่าตัวเองอืตัวเอง อ, อยู่บมันยังปลอดภัยบ้านมันยังปลอดภัยปไปยังไม่เข้ามาถึงตัวเจ้าค่ะาาต้องไปเจอต้องไปเจอมีบ้างเจออะไรบ้างมันจะได้ออทําใจเป็นอุเบกขาได้ไหมเจ้าค่ะเห็นเห็นความกลัวมันพุ่งขึ้นมาเจ้าค่ะมันมันพุ่งแบบมันแบบ อจะมืดแล้วอะไรย่งเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะประมาณทุ่มกว่าก็เริ่มจะมืดในป่าเวลามันมืดก็มันก็มืดก็แบบอืความกลัวมันพุ่งมาเจ้าค่ะก็เลยรู้ว่าอ่บนั้นถ้าเราคิดมันจะต้องทุกข์แน่ๆไม่ต้องคิดก็พุทโธอย่างเดียวเจ้าค่ะเดินก็พุทโธพุทธโธพุทธโธพุทโธคือปัญญาจะไม่ต้องมีก็ได้เอาพุทโธอย่างเดียวอย่าให้มันสงบไปอย่าให้มันอยให้มันทุกข์ เราสงบไหมแเราสงบไหมสงบเจ้าค่ะตอนเดินสงบแต่พอกลับไปกลับไปถึงที่ที่แคมป์แล้วเจ้าค่ะก็มีความรู้สึกว่าความกลัวมันก็กลับมาว่าเราไม่เรากลัวที่จะเข้าป่าอีกอะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ทีนี้ก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเราปฏิบัติเพื่อแบบเพื่อให้ความกลัวเพื่อลดความกลัวเราก็ต้องไปกับไปไปกับมันให้ได้เลยก็เลยวันต่อไปก็เข้าป่าอีกเพื่อให้ดู ความกลัวจะหายไหมเนะจ้าค่ะไม่ยอมตายความกลัวมันยังหายเจ้าค่ะที่มันที่มันลกลัวเพราะมันไม่ยอมตายมันี่ยอยากอยูอย่เลยเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบไ ป, ไปไปต่อคือไปให้มันแบบรีดความกลัวออกมาให้ได้ดูว่าถ้าความกลัวมันออกมาอีกเราก็จะต้องอยู่กับ อ, อยู่กับมันนะเจ้าค่ะที่เราใช้เป็นแต่สติแล้วต้องใช้ปัญญาร่างกายมันมันเที่ยงแล้วไม่เที่ยงของถามไล่ไปเลย เปนอนิจจานั่นเป็นนึกเป็นนิจจามันเป็นนานับตาแล้วเป็นอัตตาเยไม่ถามไปเลยถ้ า, นนา ม, ม, มันเป็นอนาาิจจามันไม่เที่ยมมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้เาเราไปกลัวเลยก็ปล่อยมันไปนในวิธีใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วเพราะขั้นเดียวมันจะหายกลัวแล้วมันไม่กลัวอีกต่อไปเลยแต่ถ้าใช้สติี่ยังกลัวอยู่<น>ยก็คิดจะกลัวใหม่นะวันวันที่สองที่วันที่สองที่ คนที่ต่อมาเข้าไปก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มปัญญามันจะเริ่มเริ่มมาหน่อยหนึ่งเจ้าค่ะแต่วันแรกที่ไปเจอปุ๊บ เ, เหมือ น, นปัญญานาจรปัญญาปัญญาไม่ทันเจ้าค่ะเอาสติไว้ก่อนเลยเจ้าค่ะอเอาสติอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะพุโทโธพุโทโธพอกลับมาเริ่มคิดเอ้ยเราก็ยังกลัวอยู่ก็เลยวันที่สองเหมือนกับเหมือนกับทั้งสติและปัญญามันเริ่มโผล่มันนิดหนึ่งเจ้าค่ะลูกก็คิดว่าจะลองอีก่เจ้าค่ะถ้ามัน ต้อ ง, หองหให้ท้ายกูให้ได้ต้องให้ให้กูให้ได้เรื่องค่จําที่พระอาจารย์สอนได้เจ้าค่ะว่าแบบมันจะต้องแบบรีดออกมาแบบให้มันแบบโอ้โหแบบให้มันออกมาเลยให้มันเห็นมันเลยความตัวแล้วเรา ก, ากมา็มันต้องคิดว่ามันต้องคิดว่ากมันจะตายจริงๆกิาปัญญาเจอความตายจริงๆมันถึงจะมันถึงจะได้ผลดีเมืจะตายจริงๆแล้วมันเอาปัญญาไปใช้ยอมตายมันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาไม่ให้ตัวเรา อ่อยอมว่มันจิต น, นิ่งเลยหาให้กลัวอลยเจ้าค่ะลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องปรับออกจากบ้านไปแคมป์บ่อยๆไปไปแบบเนี้<ช>บ่อยๆเพื่อจะใช่้าเขาถืน อ, องไหมถ้าต้องไปถือถือนองในป่าเนี่ยถ้าไปอยู่ในป่าเนยจะ ไ, ได้เ จ, จอความตายครับความตายได้ก้าวคลาเข้ามาชัดขึ้นชัดขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพรมันก็ดีเจ้าค่ะลูกลูกมีความรู้สึกว่าลูกลูกควรจะ ไปถึงที่ไปไปเพื่อเพื่อวัดตัวเองเจ้าค่ะต้องมีต้องมีอะไรวัดเขา้าสอบเจ้าค่ะนะคะยิ่งเจ้าหนีแล้วเจ้ยิ่งยินดีเลเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวที่ยอมตายเลยเจ้าโกยเลยยังยังไม่มียังไม่มียังยังยังพมีสติอยู่เจ้าค่ะมันมีตัดอะไรก็ไม่รู้เจ้าค่ะอยู่ในผู้มันมันส่งเสียงแต่ว่าลูกก็ไม่เห็นมันก็ก็พูดโทรอย่างเดียวเจ้า <partnering> ค่ะเวลาเดินก็พูดโทร พุทโธอย่างเดียวด้วยค่ะแต่พอแค่ว่าเห็นผ้าที่ตกดินแล้วก็เอ้ทํายังไงดีจะติดอยู่ในป่าไหมเนี่ยทางออกอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเอาเอาไม่เป็นไรพุโทโธไปอย่างเดียวก่อนอย่าไปคิดอย่าไปคิดคิดรู้ว่าคิดมามุงแต่งสังขารมาทุกแน่ๆอย่าทุกอย่าทุกพุโทโธพุธโทโธอย่างน้อยมีพุโทโธเป็นเพื่อนเถอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญาอาจจะแบบไว้ก่อนแต่ตอนนี้เอ า, เอาพุโทโธก่อน ขอบคุอ่ะนะจ้าสติค่ะปัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหลายๆรอบปัญญาคงคงจะมาเจ้าค่ะอโก่อนเอาให้สงบก่อนเจ้าค่ะสนุกเจ้าค่ะท้าทายมากรีดมันออกมารีดความกลัวมาเห็นความตัวแล้วเรารู้เลยว่าอู๋ความตัวมันเป็นเวลามันตัวก็หนักเจ้าค่ะโอ๊ยกขอบคุณเจ้าค่ะลูกจะปฏิบัติต่อเจ้าค่ะสนุก ที่ท่นนานใจแล้วทำไมพระต้องมาอยู่ตาป่าตามเขาว่าทะไมวันนี้บางรูปท่านเดินลงป่า ก, ก็มีอดข้าวทํา้ามันก็มีเดิ น, ดนปากก่าแล้วลงทางไม่ไมีที่บินสบายข้าว <ใน S 2> ท่านอยู่กับท่านอยู่กับสติปัญญาใช่ไหมเจ้าค้าสติกับสติปัญญากับปัญญาอนิจจังตุกขานาตา อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าลูกปึกแล้วก็สมมุติว่าก็ลูกก็อยู่กับสติแล้วพอจิตเริ่มสงบก็ให้เดินปัญญาใช่ไหมเจ้าคะถ้าจิตเริ่มสงบ ค, คือถ้าแบบไม่มีเหตุการณ์ก็ทําอย่างนี้ไปซ้อม <c oughs> ทำกันบ้างแต่เราเจอเหตุการณ์จริงนี่มมันไม่มีมันไม่มีมันแล้วแต่ว่าอาวุธดันไหนเราใช้ได้แล้วก็คว้าขอขอกมา <c oughs> นแสดงว่าเราใช้ปัญญาไม่เป็นก็แล้วเอาแค่ฟุนโท้ไปก่อน ถ้าใช้ปัญญาไปย็โอ๊ยอันนี้จำเดี๋ยวก็ตายไม่ใช้ไปเลยก็ต้องตายอนั้นตายไม่ใชตัวเราเอาตายก็ตายวะอันนี้คือปัญญาัลูกกลัวว่าลูกใช้ปัญญาแล้วเหมืนมันมันกลายเป็นฟุ้งไปแทนเจ้าค่ลูกก็เลยอย่าพุ่งไปคิดก่อนดีกว่าหยุดคิดก่อนก็ได้ก็ได้ ลูกบอกหยุดคิดก่อนเอาใจให้สงบก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดลูกกลัวว่าถ้าคิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ ม, มันจะตะมันจะฟุ้งไปอะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบถ้ามันถ้ามันหยุดคิดก่อนไนดะ้<ๆ>ก็ลองใช้ปัญญาต่อเลยก็ได้ถ้า อ, อ, อย่างที่พูใช่ไหมพอทําใจให้สงบรรแล้วก็ค่อยใช้ปัญญาเจะคะ่ะพอใจหายกลัวพอใจสงบหายกลัวแล้วก็ถามด้วยว่ากลัวอะไรกลัวร่างกายจะตายใช่ไหมแล้วก็ห้ามมันได้แบบ ใช้ปัญญาได้ถามอยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะพอสถานการณ์จริงมานี่กว่าจะควักออกมากาินเ่ยวกินเที่ยวลาซามนี่แบบช็อกายช็อกตายจริออขึ้นไปทีจะคู่ช็อกจริงๆจำอะไรไม่ได้เลย <laughs> เอาแต่พวดโทรอย่างเดียว <laughs> หลังสามีบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยก็อย่าลงคนเดียวละกันอย่างน้อยก็ลงสงคนก็มาก็ตลกตัวเองดิเจ้าค่ะพอเจอสถานการณ์จริงมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออเรายังต้องยเพียนอีกเยอะเพียนเพียรเพียรเพียรเต็มที่เจ้ค่ะใช่เนื้อมาต้องเข้าห้องต้องต้องเข้าห้องสอบอยู่บ้างอย่ารู้ว่าเราไปถึงไหนละเจ้าค่ะเจ้าค่ะ กลับ <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะนาเชือน่้วน้องมากบอกวินชนบุรีงไงจะมาสู้กับความกลัวเองเมื่อไรน่าจะเดือนหน้าค่ะค่าจโอ๊ยทำไมนานไม่เกินเ <c oughs> มื่อเดือนนี้คือจองไปช่วงสงการแต่ว่าเต็มค่ะก็เลยพอดีหยุดอยู่บ้านก็เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิอ <c oughs> พอได้อยู่ค่ะทำการบ้านก่อนทเดี๋ยวพาไปทำข้อสอบ ค่ะก็ก็อยู่บ้านช่วงวันสงการก็แฟนไปทำงานก็อยู่คนเดียวก็เงียบๆก็พอปฏิบัติได้ค่ะโอเคอ่าไปทดสอบความกลัวอยู่รื่แหละหรือ ว, ว่ ม, มันหมดหรือยังมันไ่รีดน้อมค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณให้คุณหมอภาสนะคุณหมอไี้เก่งมากไม่ใช่อนะไม่กลัวอะไรแล้วไม่ใช่นะโยังไม่เก่งคนะ่ะอาจารย์ต้องยังต้องแบบเป็นลูกศิษย์าอาจารย์ ต้องต้องเอามาให้แบบชัวร์วๆพระอาจารย์เพราะว่าข้อสอบวันนี้มันทําครั้งเดียวมันไม่ได้พระอาจารย์คะข้อสอบมาที่บ้านเลยคะ่ะ mm hmm. อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็แพลนกับคุณพ่อว่าจะพาคุณพ่อมาสงกรานต์มาไหว้พระอาจารย์ปาตรวจคุณพ่อก็ให้ทําอะไรก็อยากทําก็ให้ทำแต่แม่คุณพ่อว่าไปเที่ยวกับเพื่อนประกดติดโควิดนะพระอาจารย์อายุแปดสิบแปดนะะ mm hmm. ก็น้องชายตรจปุ๊บตอนเช้าโทรมาว่าเอ้ยติดโควิด วันนั้นก็ทำธุระพาลูกมาแต่ว่าใจสงบนะพระอาจารย์ก็ขึ้นิ่งเลยพอพ้องชาย พ, พูดว่าขึ้นสองขีดติดโควิดพอมันสงบแบบพระอาจารย์มันมันก็นึกเลยว่าจะต้องทำอะไรต่อพระอาจารย์ <laughs> ก็แฟนก็ไปเบิกยามาแล้วก็ให้พ่อทานทานทานเพราะอายุเยอะเป็นโรคไตยเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็อาการไวมากเลยอ่ะตอนตอนเช้าพอตอนเย็นก็มีอาเจียนก็เลยตัดสินใจ เพาโรงพยาบาลที่นร่องสิาไม่มีห้องพิเศษเพราะว่าโควิดจะต้องอยู่ห้องแยกคนเดียวก็เลยพามาที่โรงพยาบาลเอกชนพูดที่แล้วอ่ะพระอาจารย์พคุณพ่ออยู่ไอซนะคะ <c oughs> ก็ก็บก็คือไม่คือไม่ไม่ได้เศร้าหมองเพราะว่าจริงๆเข้าใจอ่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาใจคุณพ่อด้วยเพราะว่าอยาให้คุณพ่อแบบว่าดีที่สุดอ่ะก็หมอก็ให้ยาอะไรมาจนกระทั่งเรียบร้อยก็ออกได้นะพระอาจารย์มีอั น, นึงค <c oughs> ือตอนที่ระว่างออกได้แล้วหายแล้ว <c oughs> แต่ระหว่างที่พาคุณพ่พอไปอ่ะ ก, ก็ยอมเลยนะว่าจานนั่งรถไปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้รถโงมาบมันลับเพราะว่ามันเสียเวลาตอที่อาเทียนก็เลยขับไปเองก็ยอมนั่งไปงก็กระติดก็ติดไม่เป็นไรแต่ไม่ติดนะว่าอาจารย์ก็ไม่ติดไม่ติดคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อกาหายย่ยแล้ใช่ <ปะ S 1> แม่แ<ะ>บบทัน ท, น, ทนทันไ ป, ไปแล้วไปแล้วใช่แม่ก็แล้วค่ะมันเป็นดรอปไปแต่พระจ้าริงจริงมเอ่อโควิดรุ่น<ๆ>ใหม่มันก็มันก็ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นแต่ว่าอย่าไปโดนน้ำลายอย่าไปตดนอะไรแล้วกันจานก็หายแล้ว ก็รู้สึกเขาสอบมาถึงบ้านเลยพระอาจารย์แล้วก็เห็นที่พระอาจาริชนบอกวันนั้นที่ถามพระอาจารย์ว่าขอไปอยู่เดือนหนึ่งอ่ะที่พระอาจารย์บอกว่ามันนานเกินไปวันนี้เข้าใจลึกซึ้งเลยพระอาจารย์คือความตายมันมันมาเมื่อไหร่ก็ได้นะพระอาจารย์แล้วารู้เลยว่าเฮ้ยเออว่าทําไมพระอาจารย์บอกว่ารอเข้าพรรษาไปหนึ่งเดือนมันนานเกินไปตอนนี้ซึ้งมากว่ะอาจารย์มันนานไปจริงๆค่ะก็เดี๋ยวก็แต่เว้นแต่ก็ทําตลอดนะพระอาจารย์ไม่ได้ ไม่ได้เลยก็เดี๋ยวมหากันเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เรื่อยๆกันนะอาจารย์ของกูแบบมันจริงๆเลยอ่ะมันแบบมาไม่เหล็กไปได้ก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปไเดือนพอดีภระอาจารย์บุตรมีจะมาที่สงแสงธรรมเลยค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพระอาจารย์กลับไปที่นู่นก่อนแล้วก็จะตามไปท่าเต่าด้วยคก็พยายามตั้งใจค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์เทศเขาที่แล้วเข้าใจพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ปฏิบัติดูนะพระอาจารย์ก็ รู้ส like well. ึกดีค <repeating in> ่ะอาจารย์ก็คือสงบได้อาจารย์แต่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังนั่งสมาธินะเพราะว่านั่งแบบพักผ่อนใจเพราะว่ารู้สึกดีแล้วยังสงบได้ตลอดอาจารย์ดีมากทำต่อไปนะขอบพคุณมากเลยค่ะอาจารย์โอเคที่เดวิดกับยินดีเดวิดบ่งชื่อบงชัวรอบงอะไรบ้งบ่งชัวร์ชัวต้าชัวร์ค่ะค่ะอาจารย์ หาอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินพอดีวันนี้ใช้รับรับรับเสียงไว้มันมันย้อนกลับโอเคโอเครับพูดได้ก็วันนี้ลูกก็ไม่มีคําถามค่ะก็เข้ามาฟังธรามร่วมฟังทํามค่ะแล้วก็เด็กเขาก็ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์เมื่อเช้าไม่ได้ไปกราบหน้าอาจารย์เขาก็เข้ามาลอง เดี๋ยวพรนี้ก็มาลงตาดถ้าพุ่นี้ก็วันสุกรวัน How are you, d a v ี้ Good? ับถขอบคุณและฉันจ l เห e นคุณพร o ่ r o o ้โอเคอ r ่าทขอบคุณที่เข้ามาเรียนรูปกาบขอก็คนท่าอาจารย์ประยัดสูงกันสาธุจ้ะ Did you understand what we were talking about? Most of it, but not everything. <laughs> Most of it, good. You learned something, huh? ชุดเลยอเวันนี้ก็ไม่ได้ทานข้าวเย็นกันการท่าอาจารย์อ่าดีมักคาสิ้นแต่นะโอเคท่าอาจารย์เนี่ยนิดนึงค่ะพอดีหนูให้พี่เขาสั่งของเกี่ยวกับพวกยาค่ะให้ยาฟ้าทลายโจรแล้วก็ยาเกี่ยวกับพวกเรื่องหวัดเพื่อที่จะไปนู่นนะคะแล้วด้วยความที่ว่าพอหนูไปหาเขาแล้วเขาก็เลยแบบ เขก็เลยเอามาม่วงอ่ะใส่ชามอะมาให้หนูอ่ะลองทานดูแล้วมะม่วงมันด้วยความที่ว่ามะม่วงลูกมันเล็กแค่นี้เองค่ะตั้งจานแล้วแล้วลูกก็ลืมตัวว่าไอ้นี่ว่าว่าเอาเราลืมและอย่างหนึง่งเราลืมว่าเราอ่ะถือสินแปลงแล้วด้วยความที่ว่ า, าแต่การทานของเราเนี่ยไม่ได้ว่าทานเพราะว่ามะม่วงมันมันมันมันม น, น่าทานหรื อ, อยังไง แล้วลูกก็เลยแบบด้วยความที่ว่าเรากลัวเสียน้ําใจเพราะเขาเอามาให้แล้วกลัวว่าลูกเล็กเดี๋ยวก็จะแบบจะน่าเกลียดแต่แล้วลูกก็ลืมไปว่าถือสินแปดด้วยค่ะอันนี้ลูกเผลอเองลูกสติเผลอแล้วลูกก็ก็ทานลงไปพอทานลงไปแล้วเนี่ยได้ได้ได้ไ ด, ได้ประมาณครึ่งลูกลูกก็อุ้ยหนูถือสินแปดพี่หนูขอโทษค่ะพี่หนูหนูทานไม่ได้หนูหนูลืมไปแต่หนูก็ทานแล้ว แล้วพี่แกก็บอกว่าเออมันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นมะแบบผลไม้ที่ขึ้นชื่อขึ้นขึ้นด้วยไม้เนี่ยมันมันมันไม่เป็นไรมันใช่เหรอครับไม่ได้ไม่จริงไม่จริผลไม้บางบางชนิดถ้ากินเป็นยาได้มันก็แม่ก็กินได้พวกมะขามป้อมพวกสมอเนี่ยถือว่าเป็นยาอ๋อค่ะแต่นี่แต่นี่มะม่วงนี่ไม่ถือว่าเป็นยาอ๋อค่ะแต่นี่มะม่วงมันมันลูกเล็กเท่ากับมะขาม มันไม่ได้อยู่แรกหรืออย่างมันอยู่ที่ว่ามันเป็นอะไรค่ะถ้าอาจารย์ดังนั้นลูกก็เผยลูกอุ้ยพี่แล้วหนูก็ว่าหนูก็เลยแบบความจริงความจริงถึงแม่ว่ามันจะกินได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรากินไม่ได้แล้วเรากินเราก็ผิดนะค่ะถ้าอาจารย์ค่ะแต่ว่าอันนี้คือลูกขาสติจริงๆคือลูกแต่ลูกตั้งใจแล้วควันนี้ตั้งใจคือทานกั น, นตอนตอนเที่ยงใช่ไหมคะตอนเที่ยงแล้วเร า, เ, ราเขายังมาถามลูกเลยว่า แล้วแล้วเออ่ไอ้นมช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตมิ้วอ่ะสามารถทานได้ไหมคุณบอกไม่ได้เลยอยู่น้ําอย่างเดียวมิวมิวมิบอกว่าอยู่น้ำช็อกโกแลตได้อยู่โนมมิลวเพลนช็อกโกแลตได้อยู่มันมีมิ้วนะคะมันมิวไม่ใช่ต้องเพลนแบบไม่มีมิวมันมีแบบไม่มีมิวเรียงดาร์บช็อกโกแลตเพลนช็อกโกแลตนี่ไม่มีมิวไม่มีถั่วไม่มีไส้ไม่มีอะไรเป็นช็อกโกแลตวน เก็ได้ล้วนๆค่ะได้ค่ะแต่นี่คือเขาว่าน้ําอย่างเดียวแล้วหนูก็บอกวันนี้วันนี้ถิ่นแปดอยู่<ด>เขาก็โอเคค่ะจานท่าน<ด>เขาก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือไตายบ<ะ>อกว่าไม่ตายหรอกไม่ไม่เล่นกินมื่อเดียวไม่ตายหรอกตายค่ะที่อย่นี้บอกเลยว่าตายแล้วลก็พอสองเต๊ะบอกกิเลสตา ย, ตายความความอยากกินตายตเวลาไม่กินความอยากกินมันจะตาย ใช่ค่ะก็เขาก็ทําได้มาเจอท่าถึงบันไดคือหนูก็โมนทนาบุญกับเขาด้วยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีแล้วก็มีส่วนช่วยเขาได้ทําำอยู่ด้วยกันก็ต้องไปปฏิบัติเท่าเทีเทยมกันจะได้ไปไปด้วยกันไปพร้อมกันไปใจอง่ า, งายแต่สมาธิยังะท่านอาจารย์เนี่ยหนูก็ยังยังยังค่ะอาจารย์ก็ลองนั่งสมาธิด้วยกัน ก, นก่อนนอนก็นําสมาธิกันทัน้งคืน ลูกขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะโอเคเอาล่ะ e e y o t r โอเคค่ะโอเคบายบายากเกดบัเด็บัเด็ได้ยินรืปามยินครับอ่าเป็นรับประมชกันอาจารย์สวัสดีครับเอดีเรด้วยูเกดองเล่นครับ ป้าแทนก็เอาสิ่งที่ป้าแทนสอนครับมาสอนลูกตอนนอนก่อนนอนครับให้เขาส่วนมนตแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันครับป้าแทนจากเริ่มจากแป๊บๆเขาก็เริ่มทําได้นางขึ้นเรื่อยๆครับอฝึกไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปเห็นตัวเอก็ยังได้ทำต่อนะครับแได้เห็นน้องชัตตี้หรือน้องละโมนะครับก็เลยอยากให้ลูกสาเป็นอย่างเด็กๆบ้างครับนี่ึกอจะเออน้องเด็กๆเขา เรียนรู้ธรรมาได้เรยดีคร okay. okay. okay. ับอาจารย์อ่าม้องต้องมีคำถามครับอาจารย์ครับไปที่คณเอกเด็กเชียงรายก่อนคนเอกกับนวัตกรรพระอาจารย์ครับอืมวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังธรรมะาครับอาจารย์วันนี้วันพระยังปฏิบัติอยู่นะเด็กเด็กชาติก็บอกวันพระหรือว่า ไม่ได้ปฏิบัติในสัญชีชกับพระอาจารย์กะว่าเดี๋วตอนเข้าพรรษาค่อยในสัญชีกครับอแต่ก็สิ่งที่ผ่านมาก็ปฏิบัติจนถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับอาจารย์เที่ยงคืนเพราะว่าผมมาตื่นตอนเช้าก็ตื่นตีสามสี่สิบห้าก็ปฏิบัตินะะจนถึงห้ามงกว่าหกโมงครับอาจารย์ทักทักเช้ <ถ coaster S 2> าเช้าก็โอเคครับก็ช่วงช่วงสงการไม่ไปไหนก็ น you, ั so ่งได้ยาวอยู่ครับสงสามชั่วโมงครับอาจารย์อยู่กับเวทนาได้อยู่ครับอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ครับครับโอเคปฏิบัติต่อไปนะครับปฏิบัติบูชาอยู่ครับอาจารย์ก็เรื่องเสมอครับเพราะว่าคิดเสมอว่าตอนนี้ไฟมันไม่ไม่หัวแล้วครับไม่ผมแล้วตรงรีบแล้วครับอาจารย์ครับก็ครับผมปฏมาัติครับผมก็ขอถ้าฝันพระอาจารย์แข็งแรงครับผม อ<ะ>าจรย์งงท่านอรคสาุครับแดนสปาดาเป็นงอท่านตามมาสกักครั้ง่ะอาจารย์สบายดีค่ะวันนี้ไม่มีคาถามครัไปที่คุณจุ๊บเบญี่ปุ่นกลับมัสกการพระอาจารย์เจ้าค่ะญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่างานป น, นปปอนนะเรียกประเทศเข่ปปอนนะมีห้องค่ห้องมีห้อง นปปงบางทีก็ใช้ค่ะแต่ถ้าสมมุติกติ้พูดจริงๆก็นี่ห้องนี่ห้องค่ะพระอาจารย์คะวันนี้หนูมีอเรื่องมาเล่าค่ะเป็นบททดสอบของหนูที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกูเบกค่ะนะคะพระอาจารย์ที่หนูพยายามเล่าให้กระชับที่สุดนะคะถ้าไม่ขอไปด้วยนะคะคือตอนที่หนูทํางานเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเวลาเราทํางานแล้วเราจะส่งลูกค้าไปจ่ายเงินนะคะพระอาจารย์ ก็จะต้องแบบคอยคอยดูให้ให้ลูกค้าไปที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติแล้วให้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วเราถึงจะโคง้คงโค้งลูกโคง้งพํานับลูกค้าแล้วก็ขรไปรับลูกค้าคนต่อไปได้แล้ววันอาทิตย์นะคะปกติเขาจะมันจะมีลูกค้าเยอะมากแล้ววันนั้นน่ะหนูเจอลูกค้าที่แบบตอนที่หนูทางานหนูก็รู้สึกว่าลูกค้าท่านเนี้ยเป็นผู้หญิงนะคะสี่สิบกว่าแปลกๆจังเลยพอเราทํางานของเรา ส่งให้เขาไปที่เครื่องจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาเขาไม่ไม่ผิดวิสัยคนลูกค้าปกติะค่ะคือลูกค้าปกตินี้คือถ้าสมมติว่าเราจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะรีบแบบเข้าไปที่ตู้จ่ายเงินแล้วก็กดกดเลือกว่าเราเขาจะจ่ายแบบเครดิตหรือ จ, จ่ายแบบแบบเป็นเป็นแบงก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลูกค้าท่านเนี้ยค่ะเขาเดินห่างถอยออกไปหนูก็ดูนะคะ เมื่อไหร่จะเข้ามาใกล้เครื่องฉันจะได้โค้งเธอสะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถอยห่างออกไปแล้วก็ทําเป็นชะเง้อมองมองไปข้างหลังมองหาคนที่มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเออเขาคงหาคนที่มาด้วยกันแล้วจากนั้นเขาก็เขาคงเห็นหนูมองเขานานอะ่ะเขาก็เลยขยับเข้ามาที่เครื่องแล้วหนูก็ถึงโค้งเขาแล้วก็หันไปไปรับลูกค้าคิวถัดไปซึ่งวันนั้นคิวยาวมากต้องต้องรีบแบบจัดสรรเวลาให้ให้เร็วที่สุดอะค่ะปรากฏว่า พอหนูรับลูกค้าถัดไปได้สักพักหนึ่งมันจะต้องมีมันจะต้องมีตามกฎนะคะคือเขาจะต้องให้เราแ่บคอยชำเลืองดูว่าลูกค้าจ่ายเงินเสร็จเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าหนูก็ได้ยินเสียงปิดโอเคเขาจ่ายเงินอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าทำไมไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสักพักเนี่ยยังจัด ก, การกับลูกค้าคนปัจจุบันไม่เสร็จหันหลังไปหนันหันไปที่เครื่องวิลูกค้าหายไปแล้วหายไปเลยแบบ หายแล้ววันนั้นลูกค้าเยอะมากเดิน ส, สับนแบบหาตัวไม่เจอค่ะหนูก็เลยต้องข่ดจากลูกค้าที่ที่ดูแลอยู่อ่ะวิ่งออกไปไปถามคนที่มันจะมีคนที่คอยคอยยืนดูไม่ให้ลูกค้าแบบไม่จ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ถามเพราะว่าเห็นลูกค้าคนเมื่อกี้ไหมเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เห็นไม่เห็น แล้วเราเก็เลยวิ่งหนูเกเลยวิ่งไปชั้นสองไปลานจอดรถชั้นสองส่วนลูกท่านนั้นอะ่ะส่วนพนักงานท่านนั้นนะะเขาก็วิ่งไปลานจอดรถชั้นหนึ่งตอนนั้นใจหนูเต้นมากเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะหนูเคยปีที่แล้วอะ่ะหนูทํางานไม่พลาดเลยในในเรื่องของการทํางานไม่พลาดเลยเคยพลาดเรื่องนี้ก็คือลูกค้าไม่จ่ายเงินอย่างเงี้ยคะ่ะไม่จ่ายเงินนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้หนูฝังใจว่าต่อไปเราจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่ง ถับเหตุการณ์อย่างงี้ค่ะอ่าที่ทํางานเขาไม่ไม่โกรธไม่โทษหนูนะคะเขาคิดว่ามันเป็นความผิดของมันเป็นความผิดของของลูกค้าแต่ว่าเราคือปฏิบัติงานดีแล้วอะไรอย่งนี้ค่ะแต่ใจหนูตอนนั้นนะคะมันมันบอกไม่ถูกค่ะพระอาจารย์มันมันมันอึดอัดมันมันโกรดมันมีโทสายอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์จนหนูหาเขาไม่เจอแล้วหนูกลับมาทํางานต่อเหมือนเดิมหัวหน้าหนูบอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแม่ตอนนั้นวันนั้นหัวหน้ามานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้าท่านนี้เขาเขาไปเขาทําการบันทึกบันทึกสมาชิกไว้ซึ่งครั้งก่อนหน้าที่หนูเคยเจออะครั้งนั้นน่ะลูกค้าก็บันทึกสมาชิกเหมือนกันแต่เป็นแบบแการ์ดซึ่งพอพอเป็นแบบแการ์ดเนี้ยครั้งนั้นหัวหน้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรตามตัวลูกค้าได้แต่ว่าครั้งนั้นน่ะนะคะตามตัวลูกค้าไม่ได้เบอร์โทรเปลี่ยนไปแล้วครั้งนี้หนึ่งหนูก็กลัวว่าเอ๊ะ มันจะเป็นแบบครั้งนั้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีอะค่ะที่แบบคนไปลงประวัติแบบปลอมๆไว้อย่างเงี้ยค่ะมันมันทำได้อะค่ะลงประวัติเขียนที่อยู่เขียนเบอร์โทรปลอมอย่างเงี้ยทำได้หนูก็แบบร้อนใจมากจังวลใจมากซึ่งบทคําสอนของพระจังก็เข้ามาหาหนูนะคะว่าอย่าไปทุกข์เพราะเราอยากเราถึงทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูตอนนั้นหนูก็ถามตัวเองว่าเราอยากอะไรอ่ะเพราะว่าหัวหน้าก็บอกว่าไม่ต้องจังวล อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่คเป็นความผิดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จงานวันนั้นตอนที่ออกจากล็อกออกจากห้องล็อกเกอร์อะค่ะหนูก็เจอหัวหน้าสาขาหนูก็ถามหัวหน้าสาขาเพราะว่าคนที่ต้องโทรไปตามลูกค้านี่คือขอหัวหน้าสาขานะคะหัวหน้าสาขาก็บอกไม่ต้องไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีมีเขาลูกค้าคนนี้เขาเขาสมัครสมาชิกไว้ไม่ไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลับบ้านเนี่ยตอนเย็นอะกลับบ้านดึกมากเลยนะคะหนู หนูปล่อยวางไม่ได้คะ่ะอาจารย์อุเบกขาของหนูมันจอบตกมาค่ะพระอาจารย์หนูใช้คําของใช้ใช้คำสอนพระอาจารย์มามาคอยพูดโธพุดโทนะคะอาจารย์พคะ่ะมันมันพูดโธไม่ไม่คิดก็จริงแต่มันเหมือนมันอุนอดอัดมันอุดอัดอยู่ในอกนะคะพระอาจารย์แบบประมาณว่ามันเหมือนเอาอะไรเอาซีเมน์น่ะไปทับยอดไม้อ่อนๆทับไว้แล้วมันยอดไม้นี่มันพร้อมจะดีดดิดกลับออกมา ประมาณอย่างนั้นนะคะ่ะแล้วหนูก็บอกว่าเออพุทธเรามันมันข่มใจเราไม่ได้มันข่มอุเบกขาเราไม่ได้ทําทำอย่างไรดีก็คิดว่าจะไปเดินเดินจงกรมแบบที่ที่เคยทําแล้วมันมันสงบได้ปรากฏว่ามันดึกแล้วะคะ่ะถ้าเดินออกไปแล้วบ้านหนูอยู่บนเขาอะคะ่ะพระอาจารย์มันก็น่ากลัวอยู่หนูก็เลยทํายังไงดีก็นึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กๆอะ่ะเคยดูละครตอนเด็กๆนะคะเลยเคยือละครว่าหนังจีนเขา ทำสมาธิโดยการคัดตัวอักษรจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาอักษรจีนที่มีอยู่อเอากระดาษเป็นหน้านึงอ่ะมานั่งคัดตัวอักษรจีนมันก็มันก็ขมได้ค่ะเพราะเราใจเราจดจ่ออยู่กับอักษรเราเขียนคัดคั ด, ค, ดคัดไปใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่ามันก็นอนได้คืนนั้นมันก็นอนได้แต่มันก็มาตื่นขึ้นมาตอนตีสองครึ่งตื่นขึ้นมาเองค่ะพระอาจารย์ปกติไม่เคยตื่นเวลานี้ปกติจะตื่นตอนตีสี่ พอตื่นขึ้นมาเนี่ยในใจตอนนั้นน่ะก็ยังคิดอยู่อ่ะค่ะคิดถึงเรื่องในที่ทํางานนะคะว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นทําอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์รู้สึกเราอุตส่าห์รู้สึกรู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกว่าเออทําไมเขาแปลกแปลกทำไมณเวลานั้นเราเราไม่เราไม่เราไ ม, าไม่ช่างใจสักนิดนึงว่าเขาจะหนีไปอย่างนี้ไม่มาจ่ายเงินอย่างนี้ คนอะไรอะไรเงี้ยแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีสวยก็สวยทําไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใจมันก็มีโทสะขึ้นมาหนูก็เลยนั่งสมาธิตอนตีสองครึ่งงันนะคะพระอาจารย์พอนั่งสมาธินะคะมันก็ปกติเวลาหนูนั่งสมาธิอันนี้หนูขอโทษนะคะถ้าสมมติพูดไปแล้วมันไม่สมควรพูดอะคะ่ะปกติหนูนั่งสมาธิอะ หนูจะนั่งในห้องเดียแบบนี้ยค่ะมืดมืดไม่เปิดไฟอะไรเลยเวลานั่งสมาธิอ่ะมันจะนปกติอ่ะหนูก็ว่าจะไปเช็คปัสจอปสัสสตาหนูอยู่เหมือนกันไอหนูจะเห็นดวงไฟไม่สว่างมากค่ะดวงไฟที่แบบว่าขึ้นมาข้างหน้าถ้าเราตั้งใจดูมันจะหายไปแต่ถ้าไม่ตั้งใจดูมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะดิ่งดีมากๆเลยอะค่ะพระอาจารย์แต่หน้าตอนนั้นอ่ะโทรศัพท์ของห น, นูมันมีหนู หนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วจิตหยาบๆของหนูอะค่ะมันก็เพ่งไปที่ดวงไฟที่เข็ยนนะคะแล้วก็ไปสาบแช่งเขาอ่ะค่ะอาจารย์ไปเหมือนแบบไปจิตของหนูมันมันเพ่งแล้วมันมันจ้องไปแล้วบอกว่าขอมันผู้ใดที่ก่อกรรมทําเขียนไว้ขอให้มันผู้นั้นได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างนะะี้ค่ะซึ่ง หนูก็รู้ตัวนะคะ้ทําไมทำทำไมใจเรามันจดจ่อไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ณตอนนั้นนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะจากที่มันอึดอัดนะคะพระอาจารย์มันเบาลงไปครึ่ง น, นึ่งเลยค่ะพระอาจารย์ซึ่งหนูรู้ว่ามันไม่ดีแต่แต่ตัวของหนูอีกคนนึงอะที่อยู่ในตัวหนูอะมันเหมือนประกอบไปเออออกกับเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วพอแล้วหนูก็นั่งต่อไป ช่วงเวลาที่หนูแช่งเขาอะค่ะดวงไฟที่เคยเห็นนะค่ะพระอาจารย์อยู่ดีๆอะมันก็วูบหายไปเลยอะค่ะกลายเป็นความมืดแบบทื่อๆค่ะพระอาจารย์แล้วหลังจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะ่ะพระอาจารย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จนถึงเมื่อเชา้ามมนี้ที่หนูนั่งสมาธิความมืดที่หนูที่หนูนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นความมืดแบบทื่อๆค่ะพระอาจารย์ไม่เห็นอีกแล้วอค่ะไอ้ดวงไฟนวลๆสีจางๆอันนั้นนอะค่ะ แล้วหนูเสร็จสมาธิหนูวันนั้นเมืม่อวันนั้นนะคะวันอาทิตย์นะคะหนูออกจากสมาธิประมาณตีสี่ตีสี่หนูออกจากสมาธิปุ๊บหนูก็ยังรู้สึกว่ามันมันโล่งไปได้ครึ่งหนึ่งก็จริงไปแช่งเขาอย่างนั้นมันโล่งไปแค่ได้ครึ่งหนึ่งก็จริงแต่แต่มันก็ยัง ม, มีอยู่ในอกอยู่อะคะ่ะหนูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็หนูก็ไม่ไม่ง่วงนอนด้วยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้ว เปิดขึ้นมาแล้วมันก็มีข่าวขึ้นมาข่าวหนึ่งอะคะ่ะหนูก็อ่านมันเป็นข่าวแบบของคนอะค่ะที่แบบรันทดมากๆเลยอะ่ะแล้วหนูก็อ่านไปแล้วมาเทียบกับตัวของหนูเองว่าเฮ้ยดูสิเขาคนนี้รันทดขนาดนี้แล้วเราอ่ะเราเราเรื่องแค่นี้เองแล้วมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราด้วยหัวหน้าเขาก็ไม่ว่าทาไมเราถึง เราถึงอุเบกขาไม่ได้เราถึงไม่ลงใจเราถึงทำไมเราถึงยังมีโทสะจริลีไปเพ่งเกรงโกรธผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์พอคิดได้แบบเนี้ยคะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันมันเบาแล้วมันก็หายไปเลยคะ่ะพระอาจารย์ไอ้ที่แบบที่หนูอัดอั้นตันใจมาตั้งแต่ตอนเย็นของวันก่อ น, นะะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเอ๊ะ เราเราหายเพราะอย่างเงี้ยมันถูกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันถูกมันถูกเหรอกับการที่เราไม่มีอุบัติการแต่เราไปเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วมาเทียบกับความทุกข์ของตัวเองแล้วมันก็อยู่ดีมันก็หายไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกไม่ถูกก็หายไปไม่ใช่การวนทำไมมันหายก็ทามันหายก็มันก็หายก็แล้วกันจะเปกังวลกับมันทำไมถูกไม่ถู ก, ถกแล้วพระพระอาจารย์คะ ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะ่ะหนูควรจะทํายังไงดีคะพระอาจารย์มันกดไม่ลงอ่ะค่ะอย่างครั้งนี้หนูอะหนูปปหนูหนูมิโทศัซ์จริตหนูโอเบขาไม่ลงแต่ว<ม>ิพากย์ อ, อ, อยากอยากจะทําอะไรให้มันเป็นไปตามที่ต้องการพยายากจะทํางานให้ดีที่สุดไม่ให้มีการผิดพลาดหนูไม่ยอมมองว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจไม่แน่นอนมันต้องมีการผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา ถ้ามันไม่ได้อยู่ในบันความผิดของเราเราก็ไม่ต้องไปกังวณกับมันเราก็ต้องยกให้ว่าทุกอย่างมันเป็นกนอนิจจามันไม่เทีย่ยงอนนาตาเราก็คุมมันคั้ไม่ได้เราวบคุมตัวคนที่มาทํำผิดไม่ได้เออความใจใจของเรามันอยากอยากให้ทุกอย่าง perfect อยากให้ทุกอย่างไม่ mm hmm. ไม่ผิดะ ถ, ถูกถูกต้องค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์รู้ดีเลยคะ่ะหนูหนูอยากให้ทุกอย่างมัน มันทําได้ดีเพราะหนูไม่อยากให้คนก็มองว่าเป็นคนไทยแล้วแบบมาเลยก็ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูไม่อยากอาจาก็ไม่ฟังคนอื่นเขาคนอื่นเขาบอกไม่เป็นไรไม่ได้มีการผิดพลาดของคนคนก็ไม่ฟังเองค่ะค่ะใช่ไหมคุณื้อนั้นเองเดื้อนั้นเองอืมค่ะกิเลสแรงกิเลนตอนนี้แรงแรงมากสูงอัตราสูงค่ะนูหนูรู้ตัวค่ะว่าหนูอัตราสูงมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูเลย มีมีครั้งหนึ่งที่หนูเ ค, เคยขอพระอาจารย์ว่าหนูอยากจะขออุบายลดอัตราตัวตนของหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน่ะคะ่ะนั่นแหละก็บอกเราก็เป็นจนวตัวคนใช้คนหนึ่งเราจะไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้หรอค่ะอะไรที่มันไม่อยู่ในวิสัยของเราควบคุมไม่ได้น่าต้อยอมรับมันไปไป่อันไปต้องต้องปล่อยวางใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เราคุมเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ใช่ไหม เันผู้หญิ<อ>เพราะนั้นเขาจะโกงมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแตหามเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ของเราแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์คะอย่างในในในในศาสนาเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์การฝึกให้มีจิตอุเบกขาเนี่ยมันทํายังไงได้บ้างคะพระอาจารย์ ก็เนเี่ยเราจะต้องใช้ใช้สติให้จิตให้มันนิ่งอย่าให้มันไปคิดอะไรเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องไปหยุดเหมอนด้วยพุทโธพุทโธแล้วสวดเหมือนกันเอยอย่างคุณใช้วิธีเขียนหนังสือภาษาจีนก็ได้อะไรก็ได้ที่หนึ่งใจเอาไว้ให้ไปคิดถึงเมื่อราวที่ทําให้เราโกรธแต่มันก็เป็นครึ่งหนึ่งมันหยุดได้ชัว่วคราวแต่ตอนนี้ที่ดี ก, ก็ไม่ สบายใจพยาว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันองค์ีมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราอยากไปควบคุมบังคับได้ให้มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนเดินฟ้าอากาศค่ะพระอาจารย์คนคนเข้าเป็นอย่างนี้เราจะอยากให้เขาเป็นคนที่ท่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่าไหมเปลี่ยนคนเปลี่ยนผลไมา้ไม่ได้เขาเป็นกล้วยเปลี่ยนได้เขาเป็น่อมเปลี่ยนไม่ได้เราต้องยอมรับใช่แล้วพอเราเจอคนคนไม่ดีนะนี่เราเจอคนทุจริต ก็ขาดนั้นเองก็ธรรมดาในโลกนี้มันก็มีทั้งคนสุดจริญคนทุจริตหมดกันไบเมื่อตากแดดมันไม่ได้เป็นความผิดของเราเราไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเราแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าผิดพลาดแล้วก็แก้ขกแไขดัดแปลงใหม่ข้อหน้าเราต้อระมันระวังขึ้นเท่นั้นเองเหตการมันก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ต้องทําใจทําใจอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทําใจบุเบขายอม ร, ร, รับความเป็นจริง หนูจะพยายามฝึกค่ะพระอาจารย์ทำใจได้ค่ะทใจได้ค่ะตอนตอนนี้หนูหนูทํำใจได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือหลังจากที่มันเบาหลังจากการที่เราไปเทียบปัญหากับปัญหาที่เราอ่านข่าวของคนอื่นตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าของเราจิ้มใจด้วยกันจิ้มจ้อยมากเลยคีดเลยค่ะจากนั้นมันก็ไม่ไม่คิดเลยค่ะวันถัดไปก็ไปทํางานตามปกติได้ปกติค่ะ แต่ก็ต้องระวัาถ้าเจอแบบเดียร์จะทำใจได้บาก็ต้องดูไปอ่ะจะคล้ายคนมาทาแบบนี้อีกเราจะทายังไงดีก็เบราปล่อยวางปล่อปล่อยเราอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันมันพ้นจากหน้าที่เราไปเล่าเราก็ไม่ทำไปกังวลอ่าค่ะแล้วพระอาจารย์คะที่หนูทิพจิตของหนูมันไปแช่งเขาอะคะว่า กรรมใดใครก่อกรรมนั้นขอให้ยังมีความภาคภัยไปเยี่ยบันแกมันไม่ดีไม่ตาเราต้องให้อภัยครับค่ะ้เขาดีช่วยกันในของเขาไปอย่าไปเทิดทร์ก่อนเสื่อมเขาค่ะหนูหยกคืนนี้หนูนั่งสวดมนต์แล้วหนูจังภาวนาแผ่ไมตาให้เขาค่ะอต้องแผ่ตอนที่เจอกับเขาวันนี้ไม่เขาได้เวลาเมามาที่รลาน่อยท้งหนึ่งเยอะมากเลยค่ะและสุทุกคนใส่ ถ้าอเจอถ้าจ เ, จจ เ, จเจอเจอเขาจะทําทไงถ้าเจอเขาจะดาานะ่ากขาหรือเปล่ากจะแผลเ <ừ. S 1> ม่ตายเขาคงไม่กล้าก็าคงแผลอย่างเดียวอาจารยก็เฉยๆไปให้อภัยเข้าไปค่ะดีชั่วมันเป็นอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่อยูที่ตัวเราค่ะหนูก็จะตอบหนูจะพยายามปฏิบัติหนูจะทํามทำใจให้มีอุเบกขาค่ะพระอาจารย์ขาาชา อ, อช่วงหน่อยถาท่านพูดโทไปเหมือนกั อันนี้พุทโธมันน้อยมันพอถึงเวลาจะใช้มันมันไม่มีก้ำหนักที่ใช่คทางมันพุทโธก็จริงแต่มันเหมือนมันอึดอัดมากนั่น่ไนไม่ได้มันไม่มีน้ำหนักพุทโธอะไรไม่มีน้ำหนักพรเราไม่ฝึกบ่อยๆบ่อยๆแต่ต่อไปมันจะมีน้ำหนักเวลาต้องการจะใช้มันมันก็จะได้หยุดความทุกข์ได้ค่ะพระอาจารย์จาหนูจะพยายามค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนนะคะ โอเคแล้ถามคุณบางเวลายอมหยุดเย็นใช่สูตรสี่อมก็ได้ยอมยอมก็หยุดยอมผีคนแล้วนะยอมก็อยากจะโกงก็ปล่อยเขาโกงไปแล้วก็หยุดไปต่อสู้คก็เข้าใจเราก็จะได้เย็นยิ้มได้ยอมหยุดเย็นยิ้มค่ะจะเอาไปไปคิดแล้วก็จดจับไว้ในใจใช่ยอมยอมปล่อยเขาทำอะไรไปตามเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนีเลยค่ะ อยุ่อยู่ต่อาตาครับอยุ่ต่อสู่ของครับราจะทำอะไรกันเรื่องของเขานะครับพอเรหยุดต่อทุกด้านใจเราก็เย็นแล้วก็ยิ้มได้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะอบรมสั่งสอนหนูได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจ้าทุก่านขอบคุณค่ะมาวันอะไรสี่อดมาแล้วนี่จะพของสี่อด กับขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาสี่ยอค่ะวันนี้ก็ใช้เหมือนม่อเช้ามีการประชุม ก, กันกับนายอะไรก็เรียกถ้าหนูเจอเหตุการของคุณจุ๊บจะทำไงใช้สี่ยอได้ไหได้ค่ะ ไ, เ ร, ไเราก็ยั ง, งต้อ ง, องขาค่ะต้องยินให้เขาค่ะเพราะเราก็คิดว่าเขาอาจจะเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เป็นการของเขาเขกป่อยให้มันเป็นมไปตามนั้นค่ะถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เราเลยวันวันนี้ก็ที่เราเร า, เราทุกข์็ลบากแต่เราใครก็ทําอะไรไม่ถูกใจเราแค่นั้ถ้าเราทุกข์เราก็แสดงเราไม่ปล่อยเราไม่ยอมถ้าเราไม่ทู้กขก็แสดงว่าเายอมมันไม่ได้อทอะไรกับเราของเขาคเลยเช่นวันนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ก็ยอมหุดเย็นเราก็ยิ้มแต่ว่ามีน้ําตาเออมาใน ห, หน่อยนะคะเพราะเรารู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราอธิบายไปแล้วเขาจะไม่ฟังอะไรค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็หนูไม่มีคําตอบอะไรแต่ว่าพอดีเจ้านายหนูเขาเห็นว่าหนูมน้ําตาตาร่วงเขาก็บอกว่ามีอะไรไหมหนูไม่มีเขาบอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามีปัญหาก็คือต้องช่วยกันแก้หนูหนูจะหนูไม่สามารถแก้คนเดียวได้เจ้าค่ะค่ะทีนี้ก็มีสี่ยอแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะมานั่งนึกนอยู่ว่าตอนนี้เหมือนมันเริ่มมีกําลังบ้างแล้วเจ้าค่ะ เลยอยากได้ย่อที่ห้าก็เลยมานั่งคิดว่าย่ออะไรนะก็วันนี้ที่ฟังทำเจ้าค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของยอญาณนคะคะต่อวิปัชนายาณค่ะค่ะทีนี้ก็เลยว่าจะถามพระอาจารย์ครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่ลองหัดหัดดูเจ้าค่ะมันจะเป็นเรื่องของการของการทําวิปัสนาที่มันใช้อยู่ในที่ทํางานปรากฏว่าส่วนใหญ่จะใช้สติสัมมากว่าคาะจะมาใช้ในเรื่องของการ อพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนอัตตาค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเราไปพบปะผู้คนซะมากกว่าค่ะก็เลยจะขอการเปลี่ยนพราะจ้านะคะว่าถ้าในระหว่างวันนะค่ะเราทําสลับกันแบบเนี้ยถือว่าเป็นวิปัสสนาแล้วค่ะเจ้าค่ะเพถ้าเราพิารไตรักมันก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาถ้าเราพูดตัวพูดถวก็เป็นสมันนสมมาทิฏฐิเหมือนอย่างเช่นหนูทํางานนะเจ้าค่ะ มันพยายามจะมองให้มันเป็นเรื่องของอดีตงานันก็เสร็จไปปรากฏว่าเราคิดไปคิดมาแล้วมันเป็นเหมือนกันใช้สมาธิมากกว่าใช่มหมเจ้าค่ะสติกอทั้งสองอย่างถ้าเรามองเห็นทั้งสองอย่างมันก็ต้องผ่านไปมันก็เป็นอนิจจ์ก็คือพยายามดไม่ได้ว่าเราต้องใช้ปัญญาในการที่จะเหมือนให้มันเป็นไปไปตามไปตามโลกของวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ปล่อยมันไปตากธรรมชาติทุกเมือมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องอดยืนออกมามไปอย่าไปฝืนธรรมชาติส่วนลูกตอนนี้ก็ตัดได้แล้วนะคะเหมือนพอเขาไปปุ๊บเราก็เหมือนสบายใจเราก็โล่งใจมากขึ้นมีเวลา ม, มีเวลาทำสมาธิมากขึ้นเจ้าค่ะคือ<ต>คะจะพยายามต่อไปค่ะโดยใช้ยอดที่ห้าเจ้าค่ะครับ ค่ะคุณนที่สายาจาก l อกลับนมาสการค่ะครับอาจารย์าอาจารย์นนสบายดีนะคะ อ, อันที่เออากาศกลับมาเป็นปกติหรือยค่ะก็อุ่นขึ้นแล้วค่ะค่ะก็คงจะเป็นสปริงแล้วค่ะก็พออากาศกลับมาแบบนี้ลูกก็เกิดอาการเออร์จีก็มีแบบทาใ ห, ทให้ทำให้มีผลกับการนั่งสมาธิลูกก็เลยเดินตรงกลมมากขึ้นค่ะอาจารย์ แล้วก็แต่พอกลับมานั่งก็ดีค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็สามารถข้ามเวทนาได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์อ๋อมีนิดนึงคือเวลาที่เราสามารถมันมีครั้งหนึ่งที่ลูกสามารถข้ามเวทนาได้แบบเหมือนปกติก็ข้ามได้แต่ว่าบางทีก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะมีครั้งหนึ่งมีความรู้สึกว่าลูกเหมือนกับ เหมือนตัวมันจะลอยขึ้นมาค่ะพระอาจารย์อันนี้คือมันมันเป็นความรู้แต่งิดเข็มตัวแม่อ๋อเหรอคะไม่ลอยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีใหเฉยๆบางทีอาจจะลอยก็ได้ลอยไม่ลอยก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญให้รู้เฉยๆค่ะมันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบแล้วรู้ก็ตกใจอ่ะค่ะคือแบบเหมือนกับมันจิตมันมีความรู้สึกว่ามันสงบกว่าที่เคยเป็นนะคะพระอาจารย์ มันแต่ว่าไม่ได้ทํารู้ทำมรู้สึกลอยลรางตาหรือลอยเองก็ได้ก็รู้ก็ดึงตาเมันไม่มันไม่ได้ลอยอ่ามันไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเราลอยหรือไม่ลอยใจเรารอยหรไม่ลอยไม่ลอยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าณขณะนั้นแบบมันเหมือนกับอมันความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมันวุ๊บเข้าไปแบบมันมันไม่ได้แบบมันรู้ไม่เคยที่แบบว่าตกกลุ่มตกบ่อนะคะคือเคยครั้งหนึ่งก็คือเหมือนกับมันจะแบบ วุบเข้าไปในอาโ ก, กาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้ง <c oughs> ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นคือความสงบของรูป ก, ก็จะแบบค่อยๆสงบแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบมีแบบถึงขนาดบอกว่ามีความสุขเหมือนที่พาอาจารย์มันไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยรูปมีความรู้สึกวา่วา ม, มั น, ม, นมันวุบแล้วมันเหมือนแบบตัวมันจะแบบเบาแล้วมันลอยขึ้นมาแล้วรูปมีความรู้สึกวา่วา ม, มันมันสงบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแต่ก็ลูกก็ตกใจค่ะ ตกใจแล้วรู้สึกว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะลอยจริงไห ม, มก็เลยแบบ ก, ก็เลยออกจากสมาธิไปเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ไม่เกิดอีกเลยค่ะ ต, ต่อไปก็อยู่เฉยๆรู้เฉยๆให้อยู่เฉยๆใช่ไหมคะ ừ ừ ừ. ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยังเพียงปฏิบัติบูชายอยู่ค่ะพระอาจารย์อรยขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะค ะ, ะสาธุค่ะใที่คุณหมอ เป็นอลนะฮะจับชื่อไม่ได้เชื่ออะไรนี่ไม่ใช่เป็นชื่อเปบอลเี่สุพัทเเจ้าคะ่ะสัสนมาตการท่านารเจ้าค่ะไม่มีครับเจ้าค่ะโอเคห็นไปที่คุณที่ประวันอาวเกไงนาวาะที่นั่นแสไงรอบสามเจ้าค่ะอ่ะก็ นั่งฟังอ่ะรับขอบคุณครับธรรมะของพระอาจารย์ทราบสิงค่ะโดยเฉพาะที่พระอาจารย์ปรารภธรรมวิสัชนาค่ะยมฟังแล้วอ่าค่ะก็เรียนฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยธันถ้า่ใช่บางทียังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทรมารยใช้ฟังบ่อยบบางทีต้องอย่งนีเข้าใจกันได้ ่ะแต่เข้าใจดีขึ้นถ้าเราได้ปฏิบัติด้วยะถ้าปฏิบัติแล้วมันจะร้องอ๋ออ๋ออ๋อแบบนี้แบบนี้น้ำรับจ้าเราบปฝึกสติดูเราไปนั่งสมาธิหนึ่งมันจะเข้าใจดีขึ้นเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะโอเคไปที่ดาราที่ว่าคุณนัิกาวันนี้เห็นได้าเห็นตาเลย กลันมัตการเจ้าฝากะ้าจารยนก็ก็แล้ววันนี้มาอยู่ในครัวพระอาจารย์มันเอาข้าวนะไม่ใช่มาฝากข้าใส่จายนกะบค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ทั้งหมดทุกคนหกคนค่ะอาจารย์แต่ว่าก็หลานๆก็ไปไปฝึกงานค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้น้องสาวเขาเป็นหวัดก็เข้าห้องไปแล้วดังนั้นก็สามารถเ็ไม่ ไม่ไม่มาอยู่ในเครือได้ปกติแล้วหนูจะอยู่ปลายทางของพ่อคนพ่อก็อจะนอนนอนหลับแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ mm hmm. อาจารย์ค่ะก็ไม่มีปัญหาสำหรับลูกนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ปกติธรรมดาพยายามมาเรื่อยๆก็คือใช้ความศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ก็สิ่งเหล่านี้ก็คือทําให้เรามันก้าผ่านไปได้โดยที่ว่า มีรอยิ้มอยู่เสมอไม่ไม่ไม่เศร้าไม่อะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือก็การบททดสอบก็คือเจ้าแมวแมวมาเข้าบ้านพอแมวเข้าบ้านปั๊บโมโหของพราจารพอโมโหปั๊บเราก็ตีแมวค่ะพอตีแมวพอตีเสร็จแล้วเฮ้ยตีตีเขาไม่ได้เนอกก็นึกได้ว่าโอสงสัยเขาหิวมั้งก็เนี่ยก็เอาข้าวให้เขากินเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่มาควนเราอีกค่ะแล้วก็จบไปนะคะแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คือ ความพ่อจะในเรื่องของว่าเอาพออยู่พอกินไม่ต้องให้สวยมากคือเรื่องของบ้านเนอะพาา่อจันก็ทาสีแล้วอะไรแล้วือผ้าม่านซื้อมืแล้วก็คือเอาแค่มือสองก็พอเพราะเอาก็จริงๆไม่ข่งเลยา่อจันโรคตัดใหม่พ่อาจารยันนี้ก็ตัดใหม่ก็ก็ต้องเสียตังอีกก็ คิดว่าจะปิดจบแล้วในเรื่องของพ่าแม่แล้วก็วันที่สามนี้ก็ได้ไปอยู่บ้านใหม่พระอาจารย์สิ่งเหล่า น, นี้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนที่อยู่ข้างๆอย่างน้อยก็เราก็ไม่วู่ ว, วางค่ะพระอาจารย์สาธุดเดสาธุดอาจารที่นักสม บ, บัติปุยปุ้ยนักสม บ, บัติได้ไหมกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับมาทํางานแล้วเหรอ อ๋อก็บอกกับเรียนกับพระจันเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนคะ่ะเดี๋ยวเปิดไม่ได้ยินโยมไม่ได้ยินเลยอ่าฮะการกลับไปวัดการใช่ปะเออโยมอ่ะบอกอภอาจารย์ว่าโยมมาทําเรื่องออกเพราะพอดีแบบมีเรื่องมีราวาอะไรอย่างนี้โยมก็จะออกมาถือศีลแล้วโยมก็ทําเรื่องออกมาตั้งแต่กุมภาแล้วก็มาถือศีล น, นี่โยมก็จะมารายงานตัวเพราะว่า เข้ามาเรื่อยยแต่เข้าเข้าห้องไม่ไ anyway> ด้มันเต็มอ่ะพระอาจารย์น่ะค่ะโยมก็ไปร่วมสร้างบุญกับพระอาจารย์วันนี้นังสือคุณหลาเคยท่านเธอเชิญมาแล้วก็โยมก็จะมารายงานตัวกับพระอาจารย์ว่าโยมมีความสามารถมากโยมถือศีลมาหนึ่งเดือนและถือศีลแปดปกติแล้วไม่เคยทำได้เลยเพราะว่าโยมเวลาตอนเย็นอย่างเงี้ย เผออจับไปนู่นจับไปนี่เข้าปากในนี้แบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นจังหวะหนึ่งมั้งที่บอกว่าบอกกับตัวเองว่าต้องเพียนต้องเพียนและทีนี้เราก็ไปฟังทำทางติ๊กตอกด้วยเราก็อาศัยอ่านทำไปได้นี้ยมยังขาดอยู่อย่างเดียวก็คือรอหนังสือทางที่ทํางานเก่าแล้วเขาก็จะโอนเข้าสํานักงานเพื่อว่าเราจะเปลี่ยนไปสู่งานใหม่แต่ยังตอนนี้ก็กินเขาเรียกว่า เหมือนกับกินเกษียนอ่ะเป็นภาษาไทยเขาเรียกกระเสียนนะคะค่ะค่ะแล้วก็ก็เลยแบบว่าจะใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์เพราะว่าอายุเราไม่น้อยแล้วพระจานทร์เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะตายเราจะอยู่แคนี้เราต้องเตรียมแล้วอ่ะเตรียมเสบียงแล้ว่พระจานทร์มัวแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่ได้เอ่อเพราะเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยพระจานทร์โยมก็เลยตัดสินใจอธิษฐานจิตขอ ขอให้โยมเนี่ยได้ประสบความสําเร็จได้เดินทางธรรมอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าโยมไม่เอาแล้วล่ะคู่เคออะไรเงี้ยโยมจะเดินทางธรรมแล้วเพราะว่าโยมเป็นคนไม่เก่งไอ้ได้แค่นั่งสมาธินี่นะโยมก็ดีใจแล้วแค่สือศีลแปดได้นี่โยมก็ดีใจแล้วพระอาจารย์อืโยมก็เลยท<ำ>ํา<ำ>ไปทําไปให้ได้ค่ะโยมจะเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วชงเข้ามาแล้วก็อาทิตย์ที่แล้ว มันไม่มีเสียงอ่ะอยูย่ๆมันไม่มีเสียงขึ้นมาเฉยๆอ่ะพระอาจารย์อืมวันนี่เราก็เรากป็ปุูกผิดนิดนยก็เลยไม่มีเสียงใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์สบายดีไหมคะก็ก็เห็นอยู่เนี่ยสบายน ล, ล้วนะ <c oughs> อ๋อยมดีใจยังเลยวันนี้อโอ้เข้ามาเติมพลังเ <c oughs> อ, อเคอ้าขอให้สมใจเจรานะร่ำไม่รวยสวยไม่สากายมาดูรวยนะสาธุค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะครับขอบกับอพระคุณคับพระอาจารย์ได้วัีคุณหน่อยหน่อยชายานิษกลับน ม, มัธการพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ไหอาจว่าชายานิดใช่ไมใช่เจ้าค่ะชายานิษฐ์นะคะมีอะไรหวนันนี้เรื่องของภุมเถื่ได้ยังเรื่องแบนด์เนมได้ยงังเอาแบบโนนีมั่งไม่ได้เหรอ ลู ก, กสาวเนี่ยเออก็อยังลดได้นิดหน่อยจะค่ะพอดีหน่อยจะถามเรื่องพระอาจารย์เรื่องปัญเรื่องอ่าปัญญานะเจ้าค่ะพอดีอ่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปัญญาที่เราใช้มันคือปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญญาปลอมนี้จ้ะค่ะ ถ, ถ้าเราซีลโนโนเน้นได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาจริงกระเป๋สาสองใบราคาหมื่นหนึ่งก็พันหนึ่งแต่เหมือนกันเป้ทุกอย่างอังหนหึมีเนมอันหนึ่งไม่มีเนมเนี่ย สะซื้ออดีอ่ถ้ากระเป๋าพันหนึง่งแล้วก็เอาเงินไว้ในกระเป๋าเก้าพันหนีกันไปด้ไหคือให้ดูว่ามันกระเป๋าไมไว้ทำอะไรไม่ไว้เก็บของมันจะมีชื่อแบรนด์เนมหรือไม่มันสำคัญที่ไหนนะขอใมันใช้ประโยชน์ได้นั่นเรียกว่าปัญญาใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปตามกสะแสของโลกเขากระแสหเหมิม อแบรนด้เนมกันถ้ามีมีปาตัวซีสองตัวนี้มันกลายเป็นของแพงขึ้นมาเลยใช่เจ้า <c oughs> <c oughs> คือไหนไม่ได้ซื้อกระเป๋าแพงเจ้าค่ะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ปัญญาหรือเปล่านะคะเพราะไหนคิดว่าถ้าซื้อกระเป๋าแพงแล้วแบบเอาเงินไว้ในกระเป๋าอ่ะถ้าซื้อกระเป๋าใบละสามหมืนซื้อกระเป๋าใบละพันอย่างที่พา่อจาย์บอกแล้วก็เอาเงินอีกสองหมืนเก้าไว้ในกระเป๋าะไหนอุ่นใจกว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่เท็จอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาปัญญาปัญญาคืออสองหมื่นเก้าแล้วเอาไปทําบุญนะถึงแล้วเป็นปัญญาใจจะได้อุ่นจริงๆเพระมีเงิ น, นกระเป๋ามัไม้อุ่นหรอกเดี๋ยวมันกลัวหาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหายก็ร้อนขึ้นม า, อาเอาไป<อ>ทําบุญแมันจะเย็นเลยได้อุ่นเลยสบายนะไม่ต้องมากังวลงานเงินสองหมื่เก้าที่ที่เหลืออย่างงี้เอาไปทําบุญกระเป๋าก็ได้ละ บุญก็นี้แล้วก็ได้บุญแถมมาด้วยไม่ดีกว่าจ้ะคาเนี่ยปัญญาคิดแบบนี้อ๋อถ้าเป็นแบบอย่างนั้นก็คือยังเป็นปัญญาปลอมอยู่ใช่ไหมล่ะคาถ้ากิดใช่ยังยึดยังยังยังยึดติดกับเงินอยู่นี่เอาเป็นไปใช้ใช้ซื้อตอบสนองกิเลสต่อใช่ไหมถ้าไม่ทําบุญนี้กิเลสเอาไปไม่นาหรือไม่ทบารเดียว ใส่กัดกั้นกิเลสไปเลยไปทําบุญเลยแล้วเก็บไว้เนี่ยสองหมืนเก้าเดี๋ยวเจอรองเท้ า, าทั้คู่อะเดี๋ยวเจอเข็มขัดเอาสักอันมา <c oughs> เอาไปทําบุญให้หมดเลยนะหลับเป็นปัญญาต้องมาเราได้กระเป๋าแล้วเนี่ยกระเป๋าสามหมื่นเราก็ได้มาแล้วแต่เสียแค่หมื่นเสียแค่พันเดียวอีกสองหมืนเก้าอีกก็อย่าไปเก็บเอาไว้ให้มันมากิเลสมาบลาเอาไปเลยเอาไปทําบุญนั่ดีกว่าจะได้มีจะได้ไปสวรรค์เวลาตายไป จะค่ะก็ขึ้นแบบนี้จะค่ะนัดใดจะทำบนให้มันเยอะมากกว่านี้สค่ะจะได้ะคะอย่างที่พระอาจารย์บอกก็แรกหน่อยก็ไม่เข้าใจนะจ๊ะคะว่าเราทำทานแต่ว่าตอนที่เราปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวอะไรด้วยอ๋อพอมาฟังพระอาจารย์นี่แหะคะ่ะพระอาจารย์บอกว่าคือลดจะคะก็คือว่าลดการเสียสละดูว่าเราจะเสียสละได้มากแค่ไหนก็เลยเข้าใจเลยพระอาจารย์นะคะ <Yeah. S 2> ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งคือที่อาทิตย์ที่แล้วที่ไปต่างจังหวัดมาเจ๊ค่ะที่ไปหนองบองัวลาพูแล้วไปวัดขั้มน้ำทิพย์ที่อยู่ภูพานคามาเจ๊ค่ะเข้าไปในวัดคือแบบทางนี้เป็นแบบว่า แ, แบบแดงเลยนะคะดินแดงเข้าไปก็ลึกมากแล้วทีนี้ก็เห็นโกดอยู่ข้าง คือทางวัดก็รับปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะ่ะก็คือมีมีพี่ญาติธรรมที่ไปปฏิบัติอ่ะคะ่ะแต่ว่าพ่อหน่อยนึกถึงตัวเองแล้วแบบคิดว่าไม่ผ่านเจ้าคะ่ะเพราะว่ากลัวคือแบบถ้าตอนกลางวันแค่นี้กลางคืนน่าจะวังเวงมากเจ้าคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าวัดไม่เห็นเสาไฟอ่ะคะ่ะก็คิดอยู่ว่าไม่มีไฟแน่เลยโอโหแล้วแบบ จิตมันคิดไปต่างๆนาน า, น า, นานเลยพระอาจารย์ว่าเราต้องอยู่ไม่ได้แน่เลยเราต้องกลัวแน่เลยเราต้องเป็นบ้านแน่เลยประมาณนี้เจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าปฏิบัติไม่มากพอพกลัวตัวเองเป็นบ้าเจ้าค่ะใช่แสดงว่าสเต็ปอะไรยังมีกำลังไม่มากพอยังไปไม่ได้ครับยังมันเจ้ามันต้องรู้ตัวเองว่าไปได้หรืไปไม่ได้ในที่น่ากลัวเจ้าค่ะนะ่า คือที่จริงอ่ะสําหรับคนแถวนั้นเขาก็อยู่กันได้นะจ๊ะค่ะแต่เราไม่ชินเราไม่เคยอยู่เราไม่เคยไปพอไปแล้วแบบอ่าเขาจินตนาการว่าเป็นกลางคืนปุ๊บป่าทั้งนั้นเขาทั้งนั้นหินทั้งนั้นมองไปแบบโหแบบวังเวนสุดๆไฟอืมก็เลยเพราะทำไมทำไมเราไม่มาคิดว่าเขาก็อยู่ได้ทำไปเราจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมเขาก็คนเหมือนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขา เพราก็อยู่ของเขามาันต้องนอนนายเขาก็อยู่ได้เราทำไมจะไปแล้วอยู่ไม่ได้แลาต้อคิดแบบนี้ถึงเราจะได้มีกำลังใจที่จะสู้ได้ค่ะพอพระอาจารย์พูดแบบนี้ไหนเห็นคนที่อยู่ที่แบบนึกภาพนึกหน้าที่หน่อยไปอะคะ่ะนึกคนถึงก็คือทุกคนมีความสุขนะเจ้าค่ะคือแบบแม้แตแม้แกระทั่งหลวงปู่ที่อยู่ก็ น้ายิ้มย้ําแจ่มใสคือไม่ได้ทุกร้อนว่าอากาศร้อนไม่มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเลยจ้ะใช่เขาเคยอยู่ที่มากเ้าเขาปรับใจอ๋อรับกับเหตุการณ์ได้เราไม่เคยอยู่แบบนี้เราจะปรับใจเราไม่ได้ใช่แล้วค่ะต่อไปนี่ต้องลังแรมห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่้วเน่ติดอยู่ห้าดาวอยู่เราไม่ไปห้าดาวไปไม่ได้ถ้าเราไปนอนกับดินกินกับทรายไม่ไป หมอหมอนม่ไม่นุ่มนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้นอนเป็นหล่าอแสดงว่ายังยึดติดกับของรู้หลาของเพื่อจริงจริงๆอ่านอกถื้อสิ่งแปดที่บ้านอนะ่ะก็ยังนอนพื้นแข็งได้นะเจ้าคะ่ะแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมปุ๊บไม่ได้เลยเจ้าคะ่ะใจมันกลัวขึ้นมาเลยเจ้าคะ่ะแต่ว่าต้องเล่นเล่นทําการบ้านนะเพื่อนเจาเนียเพื่อ เมื่อเราต้องทําได้มันเลยก็ทําทได้แล้วก็ต้องทําได้เจ้าค่ะคนอื่นทําได้ทาได้เหมือนกันเะค่ะไหนจะเพิ่มอายุเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วอ่อ่ออดอาดีมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะมีแค่นี้เจาค่ะโอเคขอสตาร์ทด้ว ไ, ได้คุณเพิ่มต่อคุณเพียมได้ยินไหมยูม่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเออคุณเพิยม ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตค่ะขออนุญาตสนทนาในรถนะคะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนพิมพ์นี่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ี่ไหนเดินกําลังจะเดินทางกลับต่างจังหวัดค่ะอยู่บุรีรัมค่ะพระอาจารย์โอเคมีอะไรแล้วก็วันนี้จะมาขอกําลังใจจากพระอาจารย์แล้วก็ส่งกันบ้านค่ะค่าบ้การบ้านอะไรกันบ้าน เข้าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ค่ะที่อาจารย์ให้ไปเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มันมันมีวันหนึ่งที่ลองนอนดูลมหายใจค่ะอาจารย์แล้วทีนี้มันเห็นลมหายใจไอหายเข้าไปไปอยู่ข้างในอค่ะอาจารย์ก็คือเราเรานอนดูลมทีนีปุ๊บแป๊บเดียว ลมมันหายเข้าไปอยู่ตรงกลางอกค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตัวมันเบาแล้วก็เหมือนไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็เหมือนพอลมหายปุ๊บเราก็รู้ใจว่าเราก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยลมหายไปไหนลมหายไปไหนทีนี้ปุ๊บเราก็รู้เอา้ามันมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่กลางอกเราก็เลยบอกว่าเอาลองหายใจดูสิ ก็หายใจมันก็อยู่การออกจริงๆค่ะอาจารย์แล้วก็มันก็เหมือนมันเหมือนมันเห็นตัวรู้แล้วก็เห็นตัวดูค่ะพระอาจารย์ก็ดีแสดงว่าจิตมันสงบถ้ามันเห็นตัวรู้นะจิตมันสงบมันเป็นแค่แป๊บเดียวนะค ะ, อ, ะอาจารย์ไม่ไม่ก็อย่างเนี้ยเขาเรียนคันธิกะสมาธิแค่ ง, งูลแลบเล่นเชือกฟ้าแลบแต่ต่อไปทําไปมันก็จะอยู่ได้งานขึ้นฝึกสติให้มากขึ้น ใช่ค่ะหนูหนูจะงงมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกตกใจดีใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกเป็นเชเป็นโอเคค่ะงงมากกว่าหนูก็เลยเอาเก็บอันนี้ไว้เพื่อที่จะมาบอกพระจานะคะเพื่อดีใทําถูกเราพยายามทาต่อไปแสดงว่าหนูมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะพระอาจาแต่อย่านอนทำนั้นกลัวจะหลับซะมากกว่าวันวันนั้นหนูปวดหลังค่ะพระอาจารย์ไปนอน ถ้ารมดาว่าอย่าไปนอนท่านั่งมันจะดีกะ่ะเพราะวาหนามันก็ดึกแล้วลูกแล้วก็สามีเขาก็หลับหมดแล้วหนูก็เลยว่าเดี๋ยวขอนอนดูลมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดูลมแป๊บมันหายไป จ, จังหวะจิตมันจะโวมพอดี จ, จังหวะจิตมันจะรวมให้เราพอดีใช่ค่ะมันยังไงนะจะทำตามไป ต่อไปก็อย่าไปนึกอย่าไป น, นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วลวนะ่าทําไม่รู้ไม่ชี้ต่อไป ม, มันตอนที่เราทำคราวที่แล้วดูไปเรื่อยเรยตอนแรกหนูนึกว่าหนูฝันนะคะว่ะอาจารย์หนูก็เลยบอกเอ้ยฝันหรือเปล่าไหนลองลืมตาดูซิแล้วหนูก็ลืมตาไปก็ออกมาเลยค่ะว่ะอาจารย์โอเคดีดีมากวีอะไรไหม หนูห น, หนูก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าทําไมมันถึงสั่งได้คะอาจารย์หนูหนูอยากจะรู้ว่าทําไมเราถึงสั่งได้ตัวที่สั่งนี้มันคือสติใช่ไหมคะอาจารย์สติสั่งกิตได้สติอยู่จิตได้ตัวเดียวแค่ตวี่สักกสติ ก, ส ก, กับปัญญาควบคุมจิตได้เพราะว่ามันสามารถสั่งได้ว่าเอาเราหายใจดูสิทําไมมันหายไปที่จมูกมันไปหยุ์ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็เห็ น, ม, นมันมันมีผู้ ด, ดูค่ะอาจารย์ อหนูนึกถึงที่ว่าอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆอะค่ะคําที่ว่าอะไรนะตัวละครกับผู้กํากับค่ะพระอาจารย์อยูเข้าใจตรงกันเลยเีมาถูกเทาแล้วล่ะมาถูกทาง <c oughs> ก็มันเป็นผลจากที่พระอาจารย์เจริญสติค่ะนี่ก็เรามารายงานสลใน้พอาจารย์ทรจะได้เห็นตัวผู้กากับดห ต, ตัวผู้รู้แนะ <c oughs> ใช่ใช่หนูนึกถึงคํานั้นเลยที่อาจารย์พูดอยู่บ่อยๆว่า แต่ที่นี้ตัวผู้รู้อ่ะมันเราหนูหรููเห็นมันมันเป็นเหมือนเงานะคะอาจารย์ถูกต้องไหมค่ะมันไม่มีรูวมันไม่มีรูปร่างหรอหนูหนูเห็นมันเป็นเหมือนเงาสมมติเรานอนงอนใช่ไหมคะที่มันเป็นเงาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเราเราไปคิดว่ามันเป็นมันเองมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็นแต่รูปรูนเฉยเฉยไม่เป็นไรทําต่อไปนะ นี่อยู่จังไหนแล้วเนี่ยจากกรุงเทพมาเลยเนี่ยถึงไหนแล้วจ๊ะเอาข่าวสวัสดีพระอาจารย์อ่าครับข่าวมาจากกรุงเทพเหรอกลับหลังสงการค่ะพระอาจารย์ม่ทำทุวร์ก็เลยอันนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้สติหรืออะไรมากพอสมควรนะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ า, เ ข, าเข้ามาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะอ่าพูดโทรพูดโทรไปอย่าปาล่อยให้ใจลอยอย่าิดเงนั้นเรื่อนี้ โอ okay, เคนะเดินทางในสวัสดิภาพให้ถึงบ้านปลอดภัยนะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคสัสดีสุภัฒนาบอวินชนบุีกล่าวใารัสดการพระอาจารย์นะคะมาร่วมฟังธรรมเข้ามากราศพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมสักครัก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องนะต่างกันให้ประโยชน์ okay. กันราคาโอเคเห็นเข้าไปที่บุญตุดตู่ต่ตต ดุจตัวอย่างไรอ่าการนมัสการค่ะพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนบ้านเออจริงๆหนูอยู่ที่พังงาค่ะปกติจะไปฟังธรรมะหน้าปุติเดือนละครั้งค่ะก็จะขับรถไปชนบุรีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมค่ะครับจากพังงามามาคารที่บ้านใช่ค่ะจะไปจะไปฟังธรรมะที่หน้าปุติทุกเดือนค่ะอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมฟังที่บ้าไม่ได้เฟังที่บ้านก็ไม่ไม่เหมือนกันนะ ค่ะก็ก็มันได้บรรยากาศแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ ะ, ะแล้วก็ล่าสุดคือไปเดือนมกราทีนี้เจอข้อสอบคระอาจารย์มาเลงมาเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมาแล้วเลยค่ะก็อยู่ดีๆก็ใช่ใช่คือมกราเสร็จหนูก็แพนว่าเดี๋ยวปลายกุมณาเนี่ยจะไปฟังธรรมะนาคุติแล้วก็จะไปอ่าปฏิบัติธรรมไปถือศีลอย่างเงี้ยค่ะปกติจะไปห้าวันเจ็ดวันอยู่ดีๆก็ คอสอบเข้าอะไรกับพระอาจารย์เป็นมะเร็งค่ะแล้วทำยังไงทำใจได้ไหมโอ้โหหนูว่านึกถึงพระอาจารย์เลยว่าเราฟังคำรรมาเราคิดว่าเราวางได้ปรงได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราอยากรู้อ่ะให้ลองทําเทสพอเทสมาแล้วโอ้โห <c oughs> ต้องบอกว่าพอ ข, ขึ้นชกแล้วต้องบอกว่ายกแรกนี่คือแพ้ค่ะพระอาจารย์สัิตื่นตั้งห้เหมืดเลยนะทำมาเลยได้ยินได้ฟมงหายไปหมดเลย เนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่าฟังธรรมะแล้วบางทีเราเราหลอกตัวเองว่าเราอ่ะออปล่อยวางร่างกายเราได้นะเราวางได้นะใช่ <Hey. S 2> พระอาจารย์ก็สอนตลอดว่าลองทําเทสดูแล้วจะรู้ว่าจริงหรือเปล่า hmm. ค่ะก็ยกแรกแพ้ค่ะอาทิตย์แรกเครียดมากพระอาจารย์ hmm. จะปรึกษาพระอาจารย์นะคะคือที่หนูเครียดนหะหนูไม่ได้กลัวตายนะคะหนูมานั่งนึกว่าโอ้ตายแล้วบุญยังยังทําไม่ถึงไหนเลยแล้วหนูก็ทุกข์มากเวาลาหนูเห็นหมาเห็นแมวอะคะ่ะพระอาจารย์ หนูกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรลฉานนะคะพระอาจารย์ทุก mm. อยู่งานอาทิตย์หนึ่งอะค่ะ mm. แล้วทีนี้หนูก็พยายามเปิดแบบไลฟ์ของพระอาจารย์แล้วก็อ่านธรรมะทุกวันทุกวันนี้นะคะ mm. พอที่ที่สองอะหนูเริ่มวางได้แล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากจะอยากจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวเล่งอะค่ะให้เราใช่ใช่มันเป็นเหมือนกับเป็นเทวต มาเตือนเราแล้ว่าใกล้ากาแล้วนะให้อาจารย์ตอนแรกก็คิดว่าเอ้าปฏิบัติธรรมเรือนละหนไปก่อนแล้วพออายุสักสักสามสี่ห้าปีเคลียรนี่ศีลอะไรเสร็จแล้วค่อยปฏิบัติก็ฟังทำพระอาจารย์ว่าเออคนเรามันไม่รู้ว่าความตายมันมาเมื่อไหร่อ่ะพระอาจารย์อืมทีนี้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นตัวเร่งว่าอะไรไม่จําเป็นที่พระอาจารย์สอนตลอดว่าไม่จําเป็นก็ตัดก็ทิ้งงานทําเท่าที่จําเป็น เงินก็หาเท่าที่จําเป็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อก็ก็ก็ก็รู้สึกว่าธรรมะมันมันมันมันมีค่าจริงค่ะถ้าถ้าแลกกับเงินคันล้านหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูขอกรรมธรรมะไว้ดีกว่าได้ธรรมะมันทําให้ใจเราเย็นเงินทําให้ใจเราร้อนใช่ค่ะแล้วก็แบบคนก็ถามว่าเอ้าทําไมเป็นมะเร็งทําไมไม่ทุกเลยแล้วก็มีที่พระอาจารย์อ่อ อ่ามีสนทนากับหมอวีะค่ะเรื่องเรื่องโรคมะเร็งพอดีตอนนั้นหนูก็ก็ได้ชอบไปฟังอ่ะค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันอยู่ที่การวางใจแล้วตอนที่ผ่าตัดอะค่ะพระอาจารย์หนูก็นึกถึงหน้าพระอาจารย์แล้วก็กลัวมากนะคะแต่ก็ใช้พุทโธคมกับอาจารย์ก็ก็ช่วยได้แล้วอาจารย์มีสติมีปัญญาคอยช่วยใจเราอย่าใช่ค่ะตอนแรกอะหนูไม่ไม่ก็ก็ฟังพระอาจารย์เรื่องพุทโธนะคะแล้วหนูมา มาเข้าใจเรื่องพุทโธแล้วเห็นค่าพุทโธเนี่ยตอนป่วยนี่แหละค่ะพระอาจารย์ว่ามันมีค่าจริงๆค่ะสองคำนี้นะกำนันเป็นเหมือนยาไงยาถ้าเราไม่เจ็บไข้ไได้ป่วยเราติญยาก็ไม่เห็นคุณค่าของมันใช่ไหใจของเราถ้าไม่ทุกข์เราก็ไม่เห็นคุณค่าของคําว่าโอสถคือพุทโธพอใจเราทุกข์ปับ๊บมีใช้พุทโธปั๊บความทุกข์หายไปโอ้ยรู้แล้วว่าไมพุทโธถึง ม, มีประโยชน์มัน<ม>ดับความทุกข์ได้ มีค่ามากค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจนะหนูก็พูดโทรไปอย่างงั้นแต่ตอนไปไปผ่าทางก็พูดโทรพูดโทรพอป่วยที่โอ้โหแบบเจอพูดโทรอย่างเดียวเลยไม่ยับทะอะไรเลยโอ้ยโดนผ่าปอดทั้งฉีดทั้งเจาะทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เป็นคน ก, นกังวลแบบผู้ช่างมันพูดโทรไว้ก่อน<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเอาอย่างน้อยคนสติปัญญาหรือว่ากําลังดับเราที่ที่อ่อนนะคะพุทโธมันทอนมันมันช่วยได้อ่ะไม่ใช่ว่าพอดับนะมันมันมันมันดับ ใจที่ที่มันอ่อนแอได้ค่ะพะอาจารย์แล้วตอนนี้ผ่านกีโมอะไรเรียบร้อยแล้วหรือก็วันนี้เพิ่งไปหาหมอมาค่ะหนูหนูผ่าตัดแล้วก็ให้กีโมครั้งแรกแล้วทีนี้ครั้งที่สองก็ผลปรากฏออกมาว่าผลค่าเลือดอะค่ะตอนนี้ปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วค่ะก็คือคขาดอกแต่ก็ยังรักษาแต่หนูก็ไม่วางใจนะคะพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวตายเรื่อยๆเพราะเราม่รู้มันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ ตอนนี้ซ้อนตายแล้วค่ะพระอาจารย์อ่านแต่เรื่องของคนตายอย่างเดียวเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยหนูอยากให้พระอาจารย์แนะนําหน่อยะค่ะว่าพอพอคนใกล้จะตายอะค่ะมันมาทุกในเรื่องที่ไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดติดกับทรัพย์สินหรือว่าญาติพี่น้องนะคะมันมาทุกตรงที่ว่าเอาตายแล้วเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปดีหรือไม่ไปดีอะค่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะพระอาจารย์อถ้าเราสงบเราไปดีไม่ต้องรรอกลัวเราถ้าเับจำใจใสบบ่ของเนี่ยได้บุญสู ง, ส, งสูงสุงดเท่าไหร่ ใ<ไ>ครไปนี่ผานไปสวรรค์เลยค่ะแล้วก็มันก็ทําให้หนูม า, มานึกย้อนนะคะหมายถึงว่าตอนนี้หนูก็เออเหมือนเรื่องแบบทรัพย์สินเงินทองเรื่องการทํางานเนี้ยคะหนูก็มานึกถึงแบบอ่านผู้ทัธ ป, ประวัติอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ น, นึกว่าเออเราเราทรัพย์สินเงินทองนี่เราถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นพระราชาแบบเรานี่คือเหมือนขอทาเลยอะไรเงี้ยทําไมเรายังยึดยังอยากจะมีอ<ม>ืมแต่ท่านแบบเป็นเป็นพระราชามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ ถ้ามันมีค่าจริงๆทำไมท่านทิงท้งทุกอย่างแล้วไปปวดใช่ไหมว่าท่านเห็นว่าเป็นทุกข์หนูหนูก็เลยมองมองมองพระอาจารย์เหมือนตอนพระอาจารย์เทศอะค่ะบอกว่าก็มีไตจีวร อ, อ่าแล้วก็อาหารก็บินท บ, บาดสบายจะตายไม่ต้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็พูดกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราเคียงนี่คียงศีลอยู่แบบพระอาจารย์ดีกว่าสบายจะตาย่ไาพระอาจารย์บกไม่มีมมต้องคอยมา ใช้เงินซื้อนู่นซื้อนี่อยู่แบบเรียงง่ายดีกว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยดีที่สุดใช่ค่ะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเหมือนเหมือนเหมือนบ้านถ้าเรามีหลายหลังเนี่ยค่ะก็พยายามเคลียร์ก็คือขายซะเราไม่ต้องไปมีซะมีแล้วก็ทุกแล้วก็เหมือนพระอาจารย์สอนตลอดว่าอย่าไปเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นทุกข์ถ้าถ้าเหมือนรถสมมติว่าถ้าจะซื้อบ้านถ้าถ้ามีถ้าไม่มีเงินซื้อบ้านก็ เช่าเขาเอาก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอเลยไม่ต้องมีเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตายไปแล้วก็บ้านไปเป็นไรไปซื้อไปทําไมชื้อตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นอยู่ใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อธรรมะที่เราไปฟังหน้ากุติที่เราไปปฏิบัติธรรมมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แค่ไปฟังแล้วเราก็สบายใจแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอบททดสอบที่เราต้องขึ้นชกเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะเราก็ต้องงักทุกท่ามาใช้อะไรเงี้ยบังเอิญว่ายกแลกแคบไปนิดนึงพระอาจารย์ ไม่เป็นไรอย่างน้อก็ยังมีเวลาตั้งสติไนดะ้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยครั้งแรกเนี่ย่ะที่เข้ามาซูงเพราะตอนแรกตั้งใจคือต้องไปฟังแบบลิงไซค์ค่ะต้องฟังสดน้าตืตแต่ร่างกายมันไปไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเราฟัางนี้ไปก่อนะไม่ต้องามาหรอกฟังผ่านทาง YouTube ถ่ายทอดสดได้เ c ็ b o ู k ก็มีแล้วการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ถือว่าสาหรับคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน ตอนแรกหนูก็ตั้งใจว่าเออจะทานมื้อเดียวแต่พอเราป่วยอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ต้องทานยาฉับเวลาอะไรเงี้ยครับก็เป็นปัญหก็กินให้มันน้อยเท่าน้วกั น, นคือแบ่งเอาแค่จานเดียวก็แล้วกันอย่าไปกินมากกินเพื่อกินยาไปที่ว่ากินเพื่อกินยาก็คือกินเพื่อกินยาที่เขาอยากกิน้วก<ม>็กจะได้เคลือบมีอะไรเครือบเครือบทองไว้มีงั้นเดี๋ยมันจะกัดเฉพาะอย่างนี้เราก็กินกินหนึ่งกินหนื่งกินยาไปอย่าไปกินเพื่ออะไรทลลอย อยกไปกินเพื่อให้มันอีกมอะไรกินเพื่อกินยาค่ะเอาแค่ชามเดียวก็พอชามเดียวก็พอค่ะผ้ะะาจา์ได้หนูจะนำไปปฏิบัติเพราะแรกหนูก็เออสงสัยน่าจะทําไม่ได้แล้วมั้งเราต้องทานยาอนะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ทําได้เราปรับปรับปริมาณได้แล้วผมก็ผมร่วงใช่ไหมคะหนูก็ไปส ก, กินเฮดหนูก็รู้สึกว่าเออสบายผมดีเหมือนกันที่ผ้าจานบอกไม่เปื่อนฉ่ำผม ไม่ต้องใช้วิทำาน้าสบายไม่ต้องคอยมาเช็ดผมอะไรใช่ค่ะนี่ก็คิดอยู่ว่าถ้าผมขึ้นก็คงจะโกนหัวอีกดีกว่าอ่าดีสุดสบายค่ะดีมากานี่คเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนียวิกฤตก็คือเนี่ยความทุกข์มันมาแล้วปัญญาต้องเดินแล้วทุกข์บมีปัญญาบอกเกิดเนียค่ะพระอาจารย์ เนี่ยหนูก็เลยคิดว่าอ๋อเนี่ยมั น, ม, นมันเป็นบททดสอบจริงๆคือเราศึกษาธรรมะถ้าเราไม่มีเทส์ยังไงเราก็ไม่มีทางที่จะผ่านมันได้อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ต้องขอบคุณมาเลงค่ะที่มันเข้ามาในชีวิตหนูอ่าใช่อาจารย์ท้าให้เราด้วยว่าชีวิตเราทุกคนในสุดมันก็ต้องเก้าสู่ความตายไม่ชา้าก็เใช่หนูใช้ชีวิตประมาาค่ะพระอาจารย์เราประหมา่าเราไปเราท่องตลอดเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราวดนน่มาทุกวนันเป็นปี เราก็เราก็เราก็ท่องแบบนี้ค่ะเราเราชื่ที่ประมาณไม่ถึงใจโอ้มาเ็งมานี่ถึงใจแล้วค่ะแม่จั์เทวทูตมาเตือนต้องเจอเทวทูตจริงๆใช่ค่ะสงสัยก็คงบอกเออคนนี้นี่มันแค่ธรรมดามันไม่น่าจะพอเอามาเ็งไปเลยแล้วกันเออหมอเราบอกระยะที่เท่าไหร่ตอนที่เป็นเขาบอกว่าเป็น s t a จ i n g บ2ค่ะน่าจะเป็นสองครึ่งอะค่ะอาจารย์ะก็ยังพอจะรักษาได้อยู่ ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็คือคีโมหกครั้งนะคะแต่ว่าเหมือนหนูโชคดีว่าครั้งแรกมันมันมันผลเลือดมันดีแต่หนูก็ไม่วางใจนะคะเพราะถ้าเราไปดีใจกลายเป็นว่าเราเขาเรียกว่ามีความอยากความอยากอยู่เองเดี๋ยวเดี๋ยวทําเดี๋ยวเทสจะมาอีกค่ะว่าอ๋อมันปรากฏไปโผล่ตรงอื่นอีกหนูก็เลยพยายามทําเฉยๆไว้ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องแต่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเฉยๆนะพยายามอ่ะพระอาจารย์ ้็ตอนนี้เราเห็นสัตว์อะไรเราก็จะไม่ตาปกติก็สงสารนะคะตอนนี้กดายเราเรามองเขาว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจริงๆเ้าหน้าสงสารีแล้วเราก็ไม่อยากเกิดเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานนะกว่าเราจะมามาเกิดเป็นคนกว่าจะเจอพระพุทธเจ้ากว่าจะเจอธรรมะอะไรค่ะมันเป็นทางนานมากเหมือนกันอยากจะอยากจะจบอแล้วปฏิบัติภาวนานี้ยไปแล้วไม่ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานว่ากุมกิเให้สงบค่ะ โอเคนะขอให้ปฏิบัติตกลับไปอาทิตยนะพอหายแล้วก็กลับไปเที่ยวไปเล่นต่อไม่ได้นะเดี๋ยวทิสจะมาหนูไม่ไม่ไม่ไม่ละเดี๋ยวเมื่อทำมาแล้วก็กลับมาเยียบเราราได้ไม่ช้าก็เร็วใช่ค่ะอาจารย์ไม่โลกนี้ก็ลงนั้นอ่ะต้องมีหลายลกเข้ามารอคิวเอยูใช่ค่ะหนูก็ใช้ธรรมะเนี่ยค่ะคือก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอหนูก็นึกถึงถึงถึงหน้าพระอาจารย์ตลอดนะคะแล้วก็ก็ต้องมีที่ยึดอาหาระอาจารย์ โยนเขียมเจาะก็ก็นึกไว้ก่อนค่ะพระอาจารย์ดีมากัางไแสดงว่าเรามีธรรมะโอสถ น, นะใช้ให้ดีได้เกิดประโยชน์นะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะคุณหมออาจารย์สายทิพย์หายไม่ได้เลยเข้ามาไม่ได้กลับน้องช ก, การพระอาจารย์ต้องค่ะบางทีอาจจะมีเขา้าข้าค่ะพระอาจารย์แล้วเข้าไม่ได้ วันนี้มาอยู่เวนค่ะพระอาจารย์น้องเขาขอแรกเวนจ <laughs> ่เวนรั้นยาตัวเองค่ <laughs> ะพระอาจารย์คะตอนนี้นั่งสมาธิมันมันมันมีเบี่ยงแต่เวี่ยงไม่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ <laughs> เบี่ยงกลับหลัง <laughs> มันเบี่ยงมันดึงให้ตัวเราตรงค่ะแต่ว่านา่าจะเป็นอาการของจิตค่ะพระอาจารย์ไปรู้เฉยเฉยไปรู้เฉยเฉไปค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิต้องใช้เวลานานมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันจะนิ่งแล้วก็เหมือนเริ่มเห็นเห็นเหมือนในในเห็นเป็นตัวเองค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอนานต่อไปอีกมันจะเห็นพื้นพื้นห้องมันสว่างขึ้นค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นความสงบต้นๆใช่ไหมคะก็ไม่รู้เลยตอนก็ไม่ตอนกไม่ใช่เลม่มต้องไปสนใจขอให้มันสบายใจก็ใช้ได้แล้วก็ขอให้มันไม่ทุกข์ใจก็ใช้ได้ ไปมันเบาเบาใจสบายใจก็โอเคใจอยู่ระดับไหนไม่เป็นไรหน้าที่ของเรามีทับตอบไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดดูลงต่อไปพุดโทษต่อไปจยกว่ามันจะดิง่งให้มันดิง่งให้เห็นทักทีเดี๋ยวนี้ไม่ยังไม่ถึงตรงนั้นเลยค่ะพระอาจารย์สติน่าจะน้อยค่ ะ, คะก็มีมีมีคำถามเหมือนของคุณตุ๊ดตูเลยค่ะพระอาจารย์หนูๆคิดมาก่อนหน้านี้ว่า สมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราป่วยสมมุติว่ามีในอาจจะบว่นอนติดเตียงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ในแต่ละช่วงวันเวลานั้นเราจะต้องควรจะทำอะไรยังไงบ้างคะพระอาจารย์อย่างเช่นทำสมาธิวิปัสสนาฟังธรรมแบบนี้ไหมคะพระอาจารย์ก็ทำได้หลายอย่างถ้าใจเราฟุ้งก็หยุดความคิดด้วยสตินะถ้าใจถ้าใจเรากลัวความตายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาวาร่ากกาันไปเทีย มันเป็นขอที่จะต้องตายถ้ามันไม่คิดมันไม่ฟุงมันไม่กลัวอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรก็เฉยๆไปอยู่ที่อยูที่มันมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหามันไม่ฟุงมันไม่กลัวไม่ใช่ไปทำอะไรมันมันสบายก็ถ้ามันสบายก็จบค่ะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอะไรที่เกิดก็แก้แก้มันไป มันโฟมก็ต้องยิยุดอย่ให้มันโฟมหยุดคิดให้ได้ถ้ามันกลัวก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายแล้วไปร่างกายไม่เทีย่ยงร่างกายไม่เช่นตัวเราก็คือให้อยู่กับความสงบใช่ไหมคะอ ใ, ให้อยู่กับความสงบความเน่งถ้ามันเน่งมันสงบมันเฉยเฉยมันไม่เดือดร้อนกับอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรขอบพระอาจารย์ค่ะ อาารย์หนมีลูกค้าโอเคก่อ <c oughs> นเอะขดีขาตอนนี้เดี๋ยวควิดกำลังใช่ค่ะอาาร์สาธค่ะขอบคุณค่ะควิไลเปิดเปิดวีกนวไหมคณวิไลวิไล ไ, ไ, ไ, ได้ยินหมไม่ได้ยินเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะวันนี้คนจะนินก่อนนจะนินอยู่ที่ไหนคนจะนินอยู่ที่ปทุมธานีครับปทุมนะ ครับอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับมารายงานว่าปฏิบัติมากขึ้นครับดีดีครับมีอันเราจะให้เต็มร้อยเลยนะเพิ่มไเรื่อยๆให้มันเต็มร้อยเลยครับพอาจารย์ครั บ, รบอโอเคยินดีขอไปที่ท่านต่อไปเลยไปามันจะรับตัวเข้ามานะไ้ไปที่คุณพัฒนาพร อ, นนอัจจุบันว่าเปไหนกันเนีอยได้อยู่บ้านอาจารย์เจ้าค่าหลวงพ่อขอ อ๋ออนุญาตเจ้าค่ะเมื่อกี้นั่งอยู่ที่บ้านเราพอดีมีแขกมาแล้วก็อยากไปดูที่บ้านใหม่จ้าอยากไปดูที่โรงแรม <c oughs> ก็เลยต้องพาเขาไปหลวงพ่อเจ้าพาลูกวันนี้สิสิบแปดเจ้าค่ะแล้วก็ตอนเช้าอ่านมุสลิป็นิดเดียวแล้วก็เดินจงกรมค่ะแล้วก็มาช่วงบ่ายรู้สึกหิวแล้วก็ก็เดินเข้าครัวไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ หิวค่ะแล้วก็เสร็จก็ก็ต่อสู้กับกิเลสไม่อ่าให้มันตายไปเลยก <c oughs> ็บอกกับตัวเองนะคะ่ะไม่ทานไม่ทานเอาให้มันตายไปเลยทานมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะตายวันนี้เค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นึกถึงคำหลวงพอ่อให้ดื่มน้ําให้ดื่มน้ําหิวแล้วให้ดื่มน้ําเจ้าคะ่ะแล้วเสร็จกิเลสตัวมันก็เหมาะว่าช็อกโกแลตไงตากช็อกโกแลตทานได้โอเค ก็ <ت ت> เปิดเตายิ่งนะคะแล้วก็เทใส่จานนะค่ะแล้วไม่ทานยกไปให้คนงานเจ้าค่ะแล้วเราก็อ๋อวันนี้ชนะชนะชน ะ, ชนะกิเลสเจา้าค่ะหลวงพ่อดีแม่ชนะแมชนะสบายเร า, เราสบายด้วค่ะสบายใจไม่เจ้าค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นเส้นนิดเดียวนะคะ <c oughs> ไอ้คำไอ้โอต่อเ น, นี้ยค่ะ <c oughs> แล้วมันก็มีกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็บอกแบบบอกกับลิโอเจ้าค่ะว่าอ๋อวันนี้มันมีไม่ไม่ทานวันพระ อ่าเดี๋ยวอยู่กัน่านพิซซ่านะวันเนี้ยแล้วก็สั่งให้แมามีด้วยตอนเช้าแบบนี้วะที่ร้านหลวพ่อมันก็ยังเป็นกิเลสหลอกเราอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าไม่เป็นหลกถ้าเราก็มันแต่ละวันพรุนี้ก็ไม่เป็นไรสั่งเผื่อไว้ก่อนก็ได้อ่าอยากไม่กินก็แล้วกันอย่าไปกินตอนนี้ก็แล้วกันอย่าไปกินวันนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วก็แล้วพอพอพูดบอกกับลูกเสร็จแล้วก็ นี่มันนี่มันก็คือกิเลสหลอกเราอีกแล้วอะเอาเอาแบบเตรียมไว้พวกนี้จ้าวรวมก็รังเดี๋ยวหลังจากเชื่อมคืนแนะบอกกินได้แล้วเนี่ยวันใหม่แล้วเลยวะไม่ได้นะวันใหม่ต้องให้พระาทิตย์ขึ้นก่อนนะถึงจะเรียกว่าวันใหม่ยายวเวลาสากลสากลก็หลังจากเชื่อมคืนก็เป็นวันใหม่เลย ไม่ไม่ได้ขาดวันนี้ชนะชนะมาแล้วด้วยการชกยกช็อกโกแลตไปคนเนี้ยตัดตัดใจได้แล้วนะตัดใจไม่กินได้เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วกาเรื่องที่หลวงพ่อเทนเลื่งติดตู้เย็นเนี่ยรัวรัวกูอยู่ยกับเพื่อนที่โตรันโตแล้วก็ทำํำยังไงแม่แม่ติดตู้เย็นเนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมีแค่นี้เจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวเร็วันดียเร็วอิจฉาบัตรเทมันไง ไปนะครับตรงนี้เปิดอะไรก้เดี๋ยวจะมีเอ่อเหมือนข้อไปที่มหาลัยแค่อาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวตรงนี้จะป็นกลับลอนดอนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบ้า น, นอาทิตยเ์เดียวแล้วก็ปิดครับแล้วก็ปิดยาวแล้วครับเพราะเหมือนเป็นปีแรกแต่ยังมีอะซเมนต์อยู่ที่ยังต้องยังต้องทาส่งโอเคไปคเยนะเดี๋ยวก็จบละใช่ครนะโอเคมาตอนรสทายครับ yeah. ไปที่คุณมาล e ตีตามาล e ีพุตตะการใชไหมะนีน่กลับมาอยู่พุทธะการอะไรอยา้ยกลับหลวงพ่อค่อยู่มุตตะการค่ะอันนี้ก็เมื่อมี อ, มอะไรก็ปฏิบัติทุกวันแต่แต่มีถามนิดนึงค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็ใจจดใจจ่อในการที่เราฝึกสติฝึกสมาธิอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันจะเป็นเป็นสิ่งที่มาเป็นเครื่องตั้นหรือว่า เป็นอที่บาสีไอิธิบาสีาส่เป็นจิตตาแต่มันจะไม่ไม่ไปฝาดให้เราฝ<ม>ืนให้ไม่สำลักใช่ไหมคอไมา่เรามันเราต้องใจเราต้องจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติเนี่ยไม่ไปคิดเรื่อง่นไม่ไปคิดไม่ไปทำเรื่องเอาแต่เรื่องปฏิบัต <ừ, S 1> ิอย่างเดียวเร <ừ, S 1> ียกว่าเป็น<ท>อิธิบาสาอิธิบาสาาอิธิบาสมีอยู่สี่ชันทะความยินดีวิยาความเพียรจิตตาความจดจ่อ มีมังสาความคิดชายคนเรื่องปฏิบัติไม่คิดเรื่องไหนจุดจอไม่ถือไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะมาฝวางให้เราไปไม่ไม่ถึงปลายทางเปนตัวสนับสนุนให้ให้เราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ให้เราถลายทลายถ้าเรามีจิตจะจิตตะเรามใจจดจ่อว่าไม่ไม่อะไรทลายไปทําเรื่องไหนมันจะทำแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวคือคือหนูหนูมาเทียบระหว่าง ถ้าสมมติว่าเราจดจออย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ขวางกับกับอีกทางหนึ่งคือเราก็ปฏิบัติไปแบบเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้ไปหน้ามาหลังอย่างเงี้ยหนว่าคิดว่ามันก็ไปไม่ถึงปลายทางดีหนูก็เลยมาทางที่ว่าเราเราจดจอแล้วเราก็เหมือนแบบพยายามที่จะฝึกปฏิบัติให้มันเห้ได้เยอะเหมือนกับกินข้าวถ้าเรา ตัวจอราการกินข้าวเนี่ยมันก็อิ่มอยู่แล้วไม่ใช่กินคําแล้วก็ไปเปิดทำไปทํางานแล้วก็กลับมากินใหม่เมื่อไหร่มันจะอิ่มแล้วอย่างนี้จะถือว่าทํามากเกินไปไหมคะหลวงพ่อหมายถึงว่ามันจะเกินยังไงนะค่ะคืออย่างอย่างครั้งที่หนูไปไปที่เขาอย่างนี้ค่ะฝึดทั้งวันทั้งคืนแล้วพักบ้าง น, นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าพอช่วงที่พักมันก็จิบนี่ยมันก็จะคิดว่า เอ๊ะที่เรานั่งมาตรงเนี้ยมันติดยังไงแล้วควรจะต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันถือว่าเยอะไปไหมคะหมายถึงการต่อเยอะไม่เยอะดูที่จิตเราว่าจิตเราสงบไหมถ้าจิตเราสงบก็ไม่เยอะถ้าจิตเราฟุ้งก็อาจจะเยอะได้คือคือมันมีความคิดที่จะทํายังไงจะฝุกไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวพ่อถ้าคิดแลถ้าคิดแล้ฟุ้งไม่สงบก็แสดงว่ามันมันไม่ใช่นะ ต้องคิดแล้วทำทำให้มันสมบคือคือคิดแล้วก็มาปฏิบัติต่อค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็จะเห็นอะไรขยับมาหน่อยๆแล้วมันก็เคลื่อนเคลื่อนไปแต่ว่ามันต้องเหมือนออกมาแล้วเราต้องมาเหมือนมามาไขา่มาควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเราก็ฝึกไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเห็นเป็นสเตจสเตจว่าเออเราควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ คือเพื่อหนูคงแค่แค่มีความคิดว่าเอ๊ะแบบเนี้มันมันจาะมากไปหรือเปล่ามันจะเป็นเครื่องกั้นเป็นเป็นกิเลสหรือเปล่าแค่นี้ค่ะอ๋อก็ไปคิดทนะําไมมันเป็นกิเลสมันก็ต้องใจก็ต้องรอ้อนเลยใจก็ต้องทุกขนะ์เลยถ้าใจเป็นทั้งวันก็ไม่ใช่กิเลสนะคือมีมีความคิดว่าจะทายังไงให้มันให้มันไปถึงเวลาเหลือน้อยคือมันจะมีจิตที่คิด แบบนี้อยู่หรืออะค่ะแล้วแต่ว่ามันจะได้มาคอยกระตุ้นให้เราปฏิบัติเนี่ยกินแล้วก็ไปปฏิบัติในเวลาแล้วก็ต้องเรียกทําให้ปฏิบัติไปมันนั่งคิดมิตรบว่าเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสอะไปเสียหมคะแค่ได้ยินคนพูดว่าเหมือนแบบคิดมากไปอยากมากไปอย่างเนี้ยค่ะหนูก็เลยว่าเพี่มันมันมันใช่ไหมที่ว่ามีความอยากมากมากไปอย่างนี้ค่ะ ออยากมากไม่มากไม่สําคัญอยู่ที่ปฏิบัติ <Okay. S 1> อเราปฏิบัติมากเอาไว้ก็แล้วแต่พ<ช>ยายามมากเราไม่ปฏิบัติจะไ ม, ไม่ได้เรื่องอยากมากก็ต้องปฏิบัติมากมอยู่ที่ตัวปฏิบัติหนูก็เต็มที่ค่หลวงพ่อปฏิบัติให้เต็มที่ให้มันสุ ป, ปฏิบัตนโนเต็มร้อยไ่ไม่ไม่ไม่เป็นกินเลสนะปฏิบัติเต็มร้อย ค่ะหวันนี้มีประมาณเท่าไหร่คะหลวงพ่ออย่าไปกังวลมากกันไปคิดคิดคินเรื่องคิดมากกันไปเลยไปได้ยินได้ฟังจากคนอื่นมาเยอะกันไปนั่นก็เลยเ อ, อ, อาจจะทำให้เราคลายเขรยได้คือเหมือนเหมือนมาติงๆว่าเยอะไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ไป่มีเยอะหรอก ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตั้งแต่ใดถ้าเราตื่นช่วงที่เราติ่นนี่ปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อ ต้องไม่ยอมนอนเลยทั้งนี้อาจะเยอะอาจจะเยอะเกนไปเดี๋ยวร่างกายมันก็เหนื่อยมันก็ปฏิบัติได้ไหวมันก็ต้อ ง, องต้องมีการาพักผ่อนหลับนอนให้ของร่างกายด้วยแต่ถ้าถ้าตื่นแล้วแล้วปฏิบัติในช่วงที่เราตื่นนี่เต็มร้อยไม่ไม่ไม่เกิดไปมันมันเต็มร้อยจะไปเกินตรงไหนก็ทาเต็มที่ค่ะอลวงพอ่อวันนี้กับ แล้วก็ต้องก็ต้องแ บ, บ่งเวลากินข้าวมากเลยต้องเวลาพักมากกินข้าวพักผ่อนหลับนอนผมให้น้ายว่ากตอนตอนที่ไปที่เขาค่ะแลก็ข้าว ก, กินน้อยมากเลยค่ะเอาอไปแค่ถุงถุงเล็กๆแล้วก็เหลือเหลือกลับมาถุงเล็กเล็กนิดเดียวค่ะไม่เวลาช่วงปฏิบัติบางทีมันไม่อยู่มหรา ก, ก็ดีเพราะเราไม่ต้องการจะกินแล้วมันทำให้เราง่วงนอนแเรวก็กินให้น้อยหอยไม่เป็นไร แตไม่ได้หมาย<ะ>ถึงจะทำอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหะเราก็ต้องแ บ, บ่งเวลาให้กับร่างกายบ้างเดี๋ยวร่างกายชํารุนุศสรมก็จะมีปัญหาตามมาได้หลวนะพอใจหรืยย<บ>อังพอใจแล้วค่ะวงพ่อทำเต็นที่ค่ะหลวงพ่อส่วนการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเต็มที่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเกิดไปส ต, ตินี่ให้ไม่ไม่เผลอเลย มันจะตื่นจนหลับนี่ยค่ะหลวงพ่อระหว่างวันระหว่างวันมันมันก็รู้รู้สึกด้วยค่ะหลวงพ่อรู้ว่าเราเราเอากิตเราไปผูกไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็จะรู้สึกติดให้มันอยู่กับความว่างให้มันอยู่กับความสงบนะค่ะหลวงพ่อโอเคนะค่ะขอบพ่อคุณหลวงพ่อค่ะอาจารย์มวันนี้เดกเลยนะอาจารย์ผมก็ได้เลื่อกไปซะ อดู่ค่ะอยู่ค่ะคุณธุบุญไปนอนแล้วยังค่ะกล่าวนองสักการค่ะพระอาจารย์บอกไม่ได้อยู่ที่เดียวกันค่ะวันนี้คุณธุูุอยู่บ้านค่ะส่วนตัวก็ตามกิเลสเหมือนเดิมค่ะอ่าสรรค์กับเพื่อนค่ะเพื่อนเช่นฟังค่ะคนเดิมค่ะมาถ่ากับเพื่อนก็มาส่ายบ่ายกัน เท<ช>าลายของเาฝากของมาด้วยนากของใส<ช>่ใช่ค่ะใช่ค<ม>่ะก็มาด้วยกันค่ะชิปนี้ก็มาด้วยกันค่ะ<ม>ก็มีวันอ่อนอีกคนหนึ่งก็เข้าเข้าอยู่ในโซมเนี่ยค่ ะ, <ม>คะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะพอดีเอ่อมาก็ก็คุยกันเรื่องต่างๆอันนะคะ<ม>ก็พอให้เห็นได้ว่าเพื่อนๆก็มีวิถีชีวิตที่เข้าใจอะไรเหมือนเหมือนกัน เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้พร้อมๆกันไม่ไ <decision. S 2> หร่ก็ไม่นั้นเตรียมตอนน้าอะไรด้วยเาวันอาอะไรก็แล้วแต่บางคนก็เป็นอยู่แล้วค่ะบางคนก็ผ่านหลายอย่างแล้วบางคนก็ก็เออเรียกว่าใส่ต้องใส่เอวที่เป็นเหล็กนะค่ะนั่งมาในรถเนี่ยก็ไหลข้ามคนคือผูสังขารไม่เที่ยง ใช่เพรานั้นค่ะก็คงกันช่ารู้สึกตอนไปตามเวลาไปตาสังขารค่ะก็พยายามทาใจกันให้ให้ให้สงกรับได้ะยอยิ้มยิ้มค่ะก็แฮปปี้กันตลอดเวลาค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องสังขารเป็นหลักนะคะก็คือต้องปล่อยไปแล้วก็อยู่กับมันให้มีความสุขใช่เพราะนั้นค่ะโอเคค่ะ ก็วันนี้เขาดึกหน่อยค่ ะ, ะก็ได้คิวช้าหน่อย อ, อเคเดี๋ยวนี้คนเขารู้วเวลาต้องรีบเข้าเป็นก่อยนะไอ้เข้าชาเนี่ยไม่ได้เข้าเกินการพิกัดเขาก็ไม่ให้เข้าใช่ค่ะต้องวันถึงนี่เลยสิบสานาทีนี่คไม่มีร<ช>ไรแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะกล่าวณมรจการค่ะโอเคจยางไรนี่คุณบอสทัตถวุฒิจากรุงเทพเออสัปดาห์ที่แล้วมามาปฏิบัติหรือเป่จาจำไม่ได้ มาปฏิบัติครับอ่าพ่อมาสองครั้งนี่ครั้งแรกมากับลูกๆใช่ไหมมากับลูกๆครับมามามาตักบาตครับอ่าพอาช่องสงการเลยขับมาปฏิบัติกับกับว่าพ่อไม่ได้ลงไปเช่วตักบาตรไปดิบมาต้องไปส่งลูกสาววันที่สิบห้าไปอ่าเล้วเป็นใจไว้าคุณพ่อมามากี่ครั้งครับเจอผมสองครั้งใช่ครับอ่าช่วงช่วงไปปฏิบัติก็ก็แรกร้อนบ่วยนิดหนึ่งครับแต่ว่า แต่ว่าวันที่สองก็ดีเหมือนกันครับมันมันเหมือนสติมันก็แนบอยู่กับจิตอยู่ครับก็เหมือนจะอยู่กับความสงบของจิตตลอดครับแล้วก็พอเหมือนกับผมไปพิจารณากายด้วยสผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็แนบอยู่แล้วก็พอพอเราก็เหมือนออกไปรู้อ่ะร่างกายกับเวลามีเวทนาแล้วก็ไปรับรู้อะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่ามันก็สงบดีครับ อ็เราก็ยังรู้สึกว่าตอนลงไปทานข้าวก็ยังยังรู้สึกว่าเอ๊ะไอ่บางทีไปเคยไปชอบรดอาหารนี่ก็จริงว่าเป็นความรู้สึกแปบเดียวแล้วมันก็หายไปก็รู้สึกว่าก็ก็สงบแต่ว่าก็ก็ช่วงนั้นก็เหมือนกจะรวมอะไรได้ง่ายครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกอีกแบบที่มันก็แปลกดีครับอแล้ว่าสตินี่ตรงนั้นสตินี่ ใช่ไหมครับอ่าสติพอสติมันก็ต้องทําให้เป็นอย่างนี้ใช่มครับเพราะว่าตอนนี้น<ช>เข้าใจ<ต>อะไร ม, มันจะรู้ทันรู้ทันเวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรรู้ทันทีใช่ไหครับครับรู้สึกว่าเหมือนกับมันก็เข้าใจอะไรคือทุกอย่างเราก็ดูเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วก็แ ล, วกแล้วก็อยู่กับไอ้ความความนิ่งของของใจแล้วก็เราก็ออกไปรู้ออกไปรู้แต่ว่าเราก็พยายามให้มันมาอยู่กับความนิ่งแล้วก็ไอ้ไอ้พวกความอยากความอะไรทั้งหลายมันก็จริงก็เป็นในอะไรที่ เไปอยู่ที่ภัาษะไปอยู่ที่เวทนาไปอะไรที่มัน ก, ก็ก็น่าจะถูกทานใช่ไหมครับอ่ะะใช่มันก็ยังอยากจะหาความสุขจากภาษะให้เกิด<ะ>จากสุขของเวทนาอยู<ะ>่<ะ>ครับอ่ะครับอ่ะก็เตือนใจว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเวทนานสุขเวทนามนไม่เที่ยงในวัฏกักรมันทุกเวทนาขึ้นมาครับพตอนนั้นเหมือนจะอยู่กับความกขาไปอยู่กับอช่องของความสงบ ขงใจก็รูกระตัวรู้อะครับแล้วเราไม่รู้อะไรเลยแล้วไอ้ร่างกายเราก็ไมได้นั่นแต่ว่าพอพอมีเวทนาเราก็อ่ามีร่างกายมาจัดขานะมีร่างกายที่ขาแล้วก็ไปอยู่แล้วก็แล้วก็อ่าไปก็รู้มันไม่ใช่เราแล้วกันรู้ว่ามันไม่ใช่เราเราเป็นผรู้แล้วก็รู้ไปปล่อยวางไปมันก็ต้องปฏิบัติให้แต่กลับมาก็ไม่ไม่ใช่ได้แล้วครับ แล้วก็รวม ก, ก, กันว่า ก, ก็ใช่กับการเป็นตัวดูแลครับคุณเบนจะ<ห>ต้องมาสองลูกสาวว่าเอ๊ยยังไม่ได้เป็นดูแลเขาเท่ า, ทาไหร่ก็มีนิวรแล้วก็มันก็หายไปหมดแล้วแต่ว่าก็แต่ม่าก็เหมือนกับก็เหมือนมีโมเมนต์อย่งดีเอ๊ะมันมันก็เข้าไปได้ลึกขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอไม่มีอะไรเลยเแต่กกความว่าคับนะให้ให้ดูอย่างนั้นใช่ไหมครับผมแล้วก็ปฏิบัติจริงก็งานา่าจะต้องก็งงคืออยู่กับตรงนั้นแล้วก็ไอ้ให้มากที่สุดใช่ไหมครับ ใชู่้เชืูอเฉยๆให้้ากที่สุดครับนรู้อยู่กับตัวรู้แล้วก็อยู่กับความสงบให้มากที่สุดให้น้อยที่สุดครับครับโอเคครับนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะก็อะไรมริ่มปจัน์ฟังครับนะโอเคคนต่อสองสองสองหนึ่งูนสี่หนึ่งนสี่อมาสักการนอาก้าค่ะชุติีมาค่ะ นี่อันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะว่าชุติมาเลยใช่ค่ะหนูแก้ชื่อไม่เป็นก็เลยค้างไว้อยู่นี่คะโอเค ม, มีอะไรไหมวันนี้เพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนําให้นั่งสมาธิเพิ่มค่ะหนูก็ไปฝึกเพิ่มวันละสี่สิบนาทีทีนี้นั่งดูลมไปแล้วลมมันหดเข้าเร็วมากมันเหลืออยู่แค่ปลายจมูกทีนี้เราก็นั่งดูที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆความคิดมันก็ผุดตลอดเวลาค่ะแล้วก็ มันก็อยู่มันก็ลึกเข้าไปแล้วสุกมันก็แผ่ซ่านหนูก็ไม่สนใจดูอย่างเดียวดูอยู่ที่ลมแล้วพอสุกมันดับคราวนี้มันทุกขขึ้นเพราะว่าร่างกายมันปวดเมื่อยหนูก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ลมปลายจมูกมันหายไปหมดอะค่ะทีเนี้ยตัวรู้อ่ะหนูต้องกําหนดต่อไหมคะว่าให้มันอยู่ที่ปลายจมูกมันเหมือนเราสร้างมันขึ้นมาให้มันมีอะค่ะหรือว่ารู้กว้างๆได้เลยไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรกับ ถ้ามันมันไม่มีอะไรให้รู้ก็ให้ลู้ด้วยอยู่กับความว่างไค่ะแล้วก็แล้วก็ดูว่าใจเราคิดอะไรหรือเปล่ามาดูว่ามีความคิดหรือเปล่าถ้ามีความคิดก็ยืดมันอย่าให้มันคิดมันพูดขึ้นตลอดเลยค่ะขึ้นแล้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตามมันไปนะคะแต่ว่าเห็นว่ามันขึ้นแล้วเราก็รีบดึงขึ้นแล้วมันก็ดึงขึ้นแล้วมันก็ดึง ลมหายไปค่ะมันมีอยู่แป๊บหนึ่งที่ลมมันหายไปแล้วนี้เราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีหนูก็เลยไปกําหนดต่อให้มันเหมือนว่านึกอยู่ว่าอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมอะคะ่ะมันก็ค่อยๆมามมถ้าไม่มีอะไรให้าู้ก็ให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยต้องทำอะไรรอทเข้าใจค่ะ พอทำแบบนี้ไปเขาคันนี้มันอยู่ได้ค่ะในชีวิตประจำวันเหมือนเหมือนนั่งสมาธิมันก็ช่วยมากจริงๆค่ะหนูอยู่ได้ดีขึ้นเหมือนมีสติในชีวิตประจำวันแล้วทีนี้มันไม่ค่อยหลุดไปแล้วทั้งวันเราก็ก็อยู่ปกติของเราไปแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบทีนี้มันเลือกได้ว่าเราจะต่อกับมันไหมได้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ทำก็ไม่ยุ่งแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแต่ว่าทีนี้มันก็มาติด กิเลสเดิมๆที่เราเป็นปัญหามากก็เลยยังมีหลุดไปบ้างอยู่ค่ะสองสาวันมานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใช้สติพุทโธพุทโธอยุดมันไปอย่าไปตามมันอย่าไปตามกิเลสค่ะพอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ว่าอยากจะบวชเพื่อให้มันเป็นช่วยเครื่องเป็นเครื่องช่วยกัน้นะคะ่ะ เพราะว่าเราไม่มีกําลังพอที่จะหลุดจากกิเลสเดิมๆที่เราติดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีความกังวลมันเห็นขึ้นมาได้เลยว่าพ่อแม่เราเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยะค่ะเรียนเขาขอให้เรียนจบก่อนอันนี้หนูก็เข้าใจแต่ว่าเรียนจบไปแล้วถ้าเราไปบวชเลยอย่างนี้เหมือนยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเขาเลยอ่ะค่ะหนูจะทํำยังไงดีคะวางใจยังไงดีอ๋อการบวชก็สามารถตอบแทนบุญคุณเขาได้ ต่อไปก็สอนธรรมะให้เราก็ให้เราบวชเราทําตัวเป็นคนดีเขาอาจจะมาศึกษากับเราไม่ได้มันพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทางบ้านก็มาถึงมาปฏิบัติเราบวชกับพระพุทธเจ้ามาตามบวชกันถ้าเราไม่บวชก่อนเขาก็จะเขาก็จะไม่ตามมาเหพอเราบวชล้วเป็นตัวอย่างเขาเห็นว่าดีเขาก็จะตามลงมาก็เขาก็จะได้บวชเหมือนเราวิธีทดแทนมันคุณพ่อแม่ดีที่สุดก็คือ ดับกามาบวชให้ได้ไมนต้องกัง <Okay. S 2> วลอ่ะการบวชนี่ไม่ได้เป็นการในระดับคนไข้มันติดตัวห่วงอย่างเดียวเลยค่ะเขาก็เขาก็อยู่ของเขาไปได้มันต้องกลัวหรอกต้องอย่างานเขาพี่พี่การนอนติดเตียงเราเราเป็นผู้บวชแล้วก็ยังเป็นดูแลได้ไม่ใช่จะต้องต้องทอดทิ้งงานตลอดเวลาะเมื่อมีคนจะเป็นจะต้องมาดูแลกันเราต้องกลับมาดูแลได้ เป็นแม่ชีก็ดูแลได้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์นะโอเคไปที่คุณจอยอจอยปทัทถยาวันนี้หลายสนุกไหมปทัทถยาหนูไม่ได้ไปค่ะไปทำบุญถวายสังถวายถังกทานต่อปล่อยปลาค่ ะ, อะพอกลับไปเราพี่เขาชวนไปเลยไม่ได้ไปเที่ยวแล้วรอดติดไหมไม่ติดนะ ตอนเช้าไม่ติดแต่ว่าตอนเย็นเขาก็ว่าเหมือ น, ถ, ถ, อ น, นถ้าเป็นแถวโน้นแถวข้างในติดอยู่อันนี้ยังเล่นกันอยู่รึเปเนี่ยเล่นมันจะเล่นกันอยู่ <c oughs> ตามพวกผับอะไรพวกเนี้เขาก็เล่นก <c oughs> ันเอคือเขาก็ชวนชวนไปผับแต่ว่ า, าไม่ไป <c oughs> เราไม่ไปแล้วนะเราเราไปวัน <c oughs> เอนเอห น, หนูหนูสงสัยว่า แม่เขาฝากเงินมาทาบุญตลอดอย่างเงี้ยแม่เขาได้บุญไปกับหนูไหมคะับหนูถ้าไปเงินขอแม่กับแม่ก็ได้บุญได้ของหนูแม่กไม็ได้บุญอ๋อแม่เขาจะฝากเงินมาทบุญกับพระอาจารย์แต่ว่าแม่เขาติดธุระแบบอนช้ามา ไ, ไม่ได้ได้บุนกลับมาทำอะไเหมือนกันอ๋อะจะได้บอกแม่ให้เขาสบายใจว่าเขาได้อนกันได้ได้กันไปรับขบค่ะวันนี้ไม่มีแล้วคะเดี๋ยวเราฝากไปใส่บาตเหมือนเดิมค่ะ โอเคตอนนี okay. ไไ้คุณกะรายาต่อคุณกะรายาอยู่ที่ไหนฝรั่งเศสใช่ไหมนท่นดาวไม่มีสวสดีวสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่ฝรั่งเศสค่ะคที่เคยพาคุณแม่ตอนนี้คุณแม่มาอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> เคยพาคุณแม่ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดไปใส่บาที่โรงแรมอ่าค่ะยังไงสบายดีไหมสบายดีค่ะ เหมือนบ้านเราไหมอยู่เหมือนเหมือนอยู่บ้านเราไหมหนาวค่ะหนาว <laughs> บ้านเราร้อ <laughs> น <laughs> เออโอเคอย่างนั้นก็ได้ได้อยู่กล้ลูกก็ยังมีความสุขนะ <laughs> ลูกมีความสุขกว่าคุณแม่ค่ะพ่อจยาเน้ <laughs> <laughs> เนเน้นดูพ่อแม่ดีนะทดแทนเป็นคนเป็นแม่ค่ะ <laughs> <laughs> แม่อยู่สองเดือนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมกันที่ที่เมืองไทยก็อหนูจะไปกราบพระอาจารย์รรอีกค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ค <c oughs> ะหนูมีมีคำถามนิดนึงนะคะพระอาจารย์ <c oughs> คือเวลาที่เราไปทำงานนะคะถ้าเราอยากจะฝึกสติไปด้วยแต่ว่าเราก็พูดโทไม่สะดวกถ้าเราถ้าเราใช้วิธีการที่ว่าเราเรลลึกรู้ว่าอตอนนี้เรากำลัง แต่เครื่องคิดเลขตอนนี้เรากําลังเดินไปเอาจานอะไรอย่างเนี้ก็คือเป็นการฝึกสติเหมือนกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้เหมือนกันอแต่ว่าถ้าเราทำงานบางครั้งเราเราต้องคิดด้วยอย่างนั้นตอนนั้นการถือว่าฝึกสติแบบแบบแบบไม่ถูกฝึกสติแบบถูกต้องไม่คิดให้รู้เฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันจําเป็นเมื่อจําเป็นจะต้องคิดจะคิดไปคแ ต, แต่สติที่เราอยากจะได้คือแบบสติแบบที่ไม่คิด ทั้งการที่ไม่หยุดความคิดแต่ถ้าค่ะแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นก็คือมันก็จะช่วยเราได้เพิ่มหนึ่งไ้เพิสติแต่ยังไม่ได้หยุดความคิดค่ะค่ะได้ครับและหนูก็จะทำต่อไปปฏิบัติต่อไปนะคะพระอาจารย์หนูกราบสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันสงการพระอาจารย์ด้วยนะคะจ้าทุนย้อนย้อนไปถึงการสงการเวลาหน้ะ ขอบคุณค่ะพระอาจารสวัสดีค่ะเอาไปที่คนสุดท้ายแล้วคุณดานิธาดานิาอยู่ทีไหสวัสดีค่ะตอบรมรัชการพระาจางค่ะอยู่ที่กรุงเท พ, พค่ะพระอาจารย์คะเข้ามาครั้งแรกไหมค่ะมาหลายครั้งแล้วค่ะได้ถามพระอาจารย์หลายหนแล้ะค่ะแต่ว่า mm hmm. วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพรเออตอนแรกมีแต่ว่าคําตอบมาจากคําถามที่กนะัลยาณมิถามนะคะเอาอย่างไงก็ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์คัดขันแข็งแรงนะคะโอเควันดีเวลาใกลา้จะหมดสวัสดีกลับไปที่ Facebook ต่อเลยเป็นท้ายในเ c e b o o k คนนี้มีสองมีสองคำถามจากทาง y o u t u ู e เจ้าค่ะคำถามแรกจากพระกัตตบุญโยถ้าเราลาสิกขาเสียหายไหมครับเรายังเป็นผู้ไม่มั่นคงในศีลธรรมจะทำอย่างไรครับก็ไม่เสียหายครับแต่ว่า การเดินทางของเราก็อาจจะยังไปไม่ถึงก็หยุดลงหรือช้าลงเพราะการบวชนี้เป็นเหมือนกับการการเดินทางไปพันธิพานถ้าเราไม่บวชเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วมาทำอาหากินทเป็นคาราว่าเวลาที่เราจะใช้ให้กับการปฏิบัติมนะันก็น้อยก็เหมือนจากลงจากทางบวชมาขับอยู่บนถนนใต้ทางบวชมันไม่จะช้าลงไปหรื อ, อ, อาจจะอาจจะไม่ไปถึงไหนึ่งถ้าไม่ปฏิบัติเลยฉะนั้นเอง ขึ้นถามสุดท้ายจากคุณซับตราหนูกลัวการนั่งเครื่องบินค่ะนั่งสี่ถึงห้าชั่วโมงพอได้แต่มีเหตุให้หนูจะต้องบินไปอเมริกาหนูจะสู้กับความกลัวนี้ยังไงดีคะตอนนี้ก็แอ บ, บกลัวกังวลล่วงหน้าไว้แล้วค่ะเราเล่าแต่ว่าเรากลัวอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาเรากลัวความตายเราก็พิจารณาว่าเราห้ามความตายได้หรือเปล่า เมื่อถึงเวลาเราจะตายไม่ได้นั่งเครื่องบินมันก็ตายได้ให้คิดอย่างนี้ให้ยอมรับกวามตายว่าเป็นเรื่องที่เราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่เวลาที่มันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นจะตายแบบไหนเท่านั้นเองถ้าหัดมันพยายามจเจริญรอดรักสติที่เรืว่าน่างกายมันดีกเลความตายไม่ได้มันต้องยอมยอมยอมรับความจริงอันนี้ถ้าเราก็อยากให้กลัว หรือถ้าเรากลัวเะไรยังรับความจริงนี่ไม่ได้ก็ทุกครั้งที่กลัวก็ให้ทําพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าให้เราไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงความตายมันก็จะไม่กลัวไนดะ้มันมันก็จะหายความกลัวก็จะหายไปชัวว่วคราวโอเคหมดแล้วใช่ไหะหมดแล้วเจ้าค่ะอเคยังก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจากดรเมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติ เอความสำความเจริก้าวหน้าในทำยิ่งขึ้นไปเธอ